ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุโตตอนที่14ก็ได้คุยกันมาเยอะนะในเรื่องทั่วๆไปก็ว่าจะเข้าสู่หลักการของพุทธศาสนาสัทีแต่นี้ก็ก็ยางนึกว่าควรจะพูดไปเชื่อมโยงถึงความเป็นมาก่อนเกิดพุทธศาสนา ซึ่งที่จริงก็พูดไปในเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วก็ เ, เป็นส่วนประกอบแต่นี่ว่าเราจะเข้าเรื่องก็ควรจะมาทบทวนหรือว่าจัดให้เป็นลำดับสักนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะไปซ้ำกับเรื่องที่พูดไปแล้วบ้างนี่พระพุทธศาสนานั้นเกิดในประเทศอินเดียหรือว่าเรียกภาษาเก่าวาชบูทวี นี่ชมพูตวีปนั่นก็เป็นดินแดนที่เจริญด้วยอารยธรรมมัตโบรรณตามที่นักประวัติศาสตร์สืบกันขึ้นมาก็บอกว่าเคยมีอารยธรรมเก่าแก่ในอินเดียตั้งแต่สักห้าพันปีมาแล้วเป็นอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุซึ่งยังมีซากทางโบราณคดีอยู่อันนี้ ต่อมาก็มีชนเผ่าที่เร่ร่อนเป็นนักรบบนหลังม้า ก, ก็เก่งกล้าในการสงครามก็บุกเข้ามาทางตะวันตกชฉีนเหนือก็มาสู้รบกันแล้วก็พวกที่เข้ามาใหม่นี่ชนะพวกที่เข้ามาใหม่จากตะวันตกเฉียงเหนือนี้เรียกว่าพวกอารยันหรือภาษาบาลีเรียกว่าอาริยกะพวกนี้ ต่อมาก็ใช้ศัพท์เนี่ยในความหมายว่าเป็นผู้เจริญเราจะเห็นว่าคำว่าอริยะเนี่ยก็แปลว่าผู้ประเสริฐไม่ผู้เจริญเป็นภาษาสะสกฤตว่าอาริยะฝรั่งเรียกว่าอารยันก็เป็นชนเผ่า น, นั่นชนพวกเก่าที่อยู่ลุ ม, มนินาบสินทูล น, นั้นที่จริงเขามีอารยธรรมรุ่งเรืองกว่าเขาตั้งบ้านตั้งเมืองมีสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมมี เรื่องวิถีชีวิตและต่างๆที่พัฒนาไปมากแล้วแต่ว่าแพในสมัยโบราณก็จะมีเรื่องราวช น, นี้เยอะที่ว่าพวกที่มีอารยธรรมเจริญตั้งบ้านตั้งบุงแล้วต่อมาก็แพ้พวกที่เป็นพวกคนป่าทเถื่อนบุกรุกเข้ามาอันนี้พวกชมพูทวีปนี่ก็เป็นอันว่าพวกที่ตั้งหลักฐานอยู่เดิมลูมบรสินทุกขับแพ นี่พวกอาริยันก็เข้ามาก็เข้ามาครอบครองแล้วก็รับเอาความเจริญของพวกนี้เข้าไปด้วยนี่คนพวกเก่านี่เมื่อแพ้ก็ถูกลดฐานะลงไปหรืออาจจะถูกจับเป็นทาสเป็นคนชั้นต่ำอันนี้ก็อาจจะเป็นเบื้องหลังของการที่เกิดเป็นชนวรณะต่างๆด้วยนือว่าพวกอาริยันที่เข้ามาก็ ยกตัวสูงขึ้นไปก็มีการแบ่งชั้นวรณะพวกคนในถิ่นเดิมนี่ก็กลายเป็นคนชั้นทาสชั้นต่ำพวกตัวเองอรยันก็เป็นคนชั้นสูงในหลักการของพวกอรยันในตามอารยันนี้ก็มีวัฒนธรรมที่สืบมาโดยศาสนาตามหลักศาสนาพราหมณ์ก็จะถือเอาพวกอาริยันนี้หมายถึงคนวรณะสูง ได้แก่กษัตริย์พราหมและแพทย์ส่วนพวกวรนนัดตามสูตรก็ไม่เป็นอริยนไม่เป็นอรยิยกะเพราะนั้นความหมายของคําอริยะเดิมนี่นะก่อนที่จะเกิดพุทธศาสนาความหมายของคําอริยนี่เป็นเรื่องของชนชั้นตามหลักศาสนาพรามณ์หรือที่จริงก็คือตามหลักวัฒนธรรมเดิมของพวกที่เข้ามาจากภายนอก อันนี้เรื่องราวในแง่ประวัติศาสตร์นี่ก็เป็นการสันนิษฐานเท่าที่เขาค้นคว้าได้ในที่นี้ก็จะไม่พูดละเรามาพูดกันในแง่ของความเชื่อถือทางศาสนาการถือปฏิบัติสื่อกันมาซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะชัดเพราะว่ามันไปอยู่ในบทบัญญัติทางศาสนานีแล้วก็เป็นเรื่องของการถือปฏิบัติมาในชีวิตจริงที่สื่อกันมาเพราะนั้นตอนนี้จะตัดตอนเรื่องประวัติศาสตร์เราจะไม่ค่อยเข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากว่าจะพูดถึง ในเมื่อมันเกี่ยวโยงเข้ามาบ้างอันนี้พวกอารยานี่ก็อยู่ในอินเดียมาก็เจริญสร้างบ้านสร้างเมืองกันจนกระทั่งมาถึงยุคพุทธกาลเมื่อถึงยุคพุทธกาลนั้นสังคมชมพูทวีปหรืออินเดียเนี่ยก็อยู่ภายใต้ความเชื่อถือและการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาพราหมณ์ศาสนาที่พวกอารยานำเข้ามา นีศาสนาพราหมณ์นี่ก็ถือว่าการที่คนเป็นวันณะเป็นชั้นต่างๆซึ่งที่จริงคำว่าวันนะเองมันก็แปลว่าสีผิวนั่นเองแสดงว่าเดิมมันคงเกิดจากการที่ว่าแบ่งสีผิวกันหรือหรือว่าสีผิวเป็นเครื่องกำหนดเพราะพวกที่เขามาใหม่ก็คงสีผิวอย่างหนึ่งแล้วก็พวกที่อยู่เดิมในอินเดียก็สีผิวหนึ่งก็แยกสีผิวกันแพระว่ า, าศาสนาพราหมณ์ ต่อมาก็ได้มีบทบัญญัติลงไปบอกว่าการที่แบ่งเป็นชนชัน้นวรรณะต่างๆเหล่านี้เป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าก็คือพระพรหมเป็นเทพสูงสุดก็ขอย้อนล่าไปนิดหนึ่งว่าเดิมทีเดียวนั้นตอนที่พวกอรารยันเร่ร่อนเนี่เขาก็นับถือเท พ, พเจ้าเช่นเดียวกับพวกคนในสมัยโบราณคือพวกอรารยธรรมรูปแบบสินทุ ก, ก็ย่อมนับถือเทพเจ้าเหมือนกัน เมื่อสองเผ่านี้เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็ไอ้เรื่องของเทพเจ้าต่างๆก็จะมีการที่อาจจะเข้ามาผสมกลงกลือหรือมาปะกนอะไรกันบ้างเดิมเขาสันนิษฐานเหมือนกันเมื่อกี้ว่าจะไม่พูดเรื่องนักบวชศาสตร์ก็อดพูดไม่ได้ว่าเดิมเนี่ยตอนที่พวกพราหมณ์ไอ้ยขอภัยพวกอารยันเรร่นอนอยู่เนี่ยพระอินทร์น่าจะเป็นเทพเจ้าสูงสุดแต่ว่าเขาก็นับถือเทพเจ้ามากมาย จนกระทั่งมาอยู่ในอินเดียแล้วก็พัฒนาความเชื่ออะไรต่างๆกันขึ้นมาจนกระทั่งในที่สุดก็มีเทพเจ้าสูงสุดผู้เดียวก็คือพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกเทพเจ้าอื่นก็ลดหลั่นต่ำมาในเทพเจ้าสูงสุดพระพรหมนี่ก็เป็นผู้สร้างสารรค์บรรดาลโลกและทุกสิ่งทุกอย่างพราหม์ก็บอกว่าที่มนุษย์แบ่งกันเป็นวรรณะต่างๆเนี่ยเป็นชนชั้นนี่ก็มาจากการสร้างสารรค์บรรดาลของพระพรหม พระพรมท่านสร้างมาเรียบร้อยแล้วให้ใครเกิดมาอยู่ในวันณะไหนก็แบ่งคนเป็นวันณะสี่คือของเขาเขาเรียกว่าพรามกษัตริย์แพทย์สูงถือว่าพราหมณ์นี่เป็นมณฑ์นนสูงสุดแต่ทางกษัตริย์ก็พยายามที่จะถือว่ากษัตริย์สูงสุดก็จะเรียนกษัตริย์พรามแพทย์สูงสองวันณะสูงสุดนี่ก็คล้ายๆว่าอาจจะมีการแย่งอํานาจกันอยู่ นี่ก็มีว่าพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรพราหมณ์นั้นเป็นพวกปัญญาชนเป็นพวกศึกษาคัมภีร์เป็นเจ้าหน้าที่ศาสนาเป็นเจ้าพิธีกรรมนะตอนนั้นนั้นความเป็นนักบวชความเป็นนักวิชาการความมีปัญญาอะไรต่างๆและอยู่ในคนพวกเดียวกันซึ่งสมัยโบราณจะเป็นอย่างนั้นาศาสนานี่เป็นที่มาของการความเจริญทางด้านปัญญาการศึกษารู้ธรรมชาติเพราะพวกนี้มีเวลาไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องการ ทำหาเยเลงชีพมากนะการประกอบพิธีทําให้มีเวลาคิดพิจรารณาต่างๆพวกนี้ก็มีปัญญามากกับเขาได้ไปผู้รักษาสืบต่อพวกหลักคําสอนที่สืบกันมาพระก็เป็นปัญญาชนเป็นเจ้าพิธีเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนาก็บอกว่าพระพรหมเนี่ยสร้างพระามขึ้นมาจากพระโอร์คือปากของเขานนะัก็มามีหน้าที่ที่จะได้กล่าวแนะนําสั่งสอนบอกพิธี การจัดอะไรต่างๆนแนะนำแม้แต่หลักการประพฤติปฏิบัติในสังคมนี้สองก็ชนวั น, นะที่สูงเหมือนกันก็คือกษัตริย์หรือขัตติยะสาสากฤษก็เป็นกษัตริย์บาลีก็เป็นขัตติยะชนพวกนี้ก็เป็นนักครบเป็นนักปกครองก็บอกว่าพระพรมสร้างจากพระพาหาของพระองค์คือแขน แผนก็เป็นเครื่องหมายการใช้กําลังการต่อสู้การรบต่อไปวันณะที่สวันณะแพทย์หรือบาลีเรียกวเวสะก็ว่าพระพรหมสร้างจากตะโพต้นขาที่ใช้เดินเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นพวกพ่อค้าวานนิดเดินทางไปค้าขายสมัยก่อนนี้ก็พ่อค้าก็จะเดินทางค้าขายจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นนํากองเกวียนเป็นเขาเรียกกันว่าภาษาฝรั่งเรียกว่าคาราวาน ใช่ไหมนำกองคารวานไปจะมีเรื่องในคัมพีเยอะแล้พวกพ่อค้านี่พาการเดินทางไปค้าขายจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นกองเกวียนเนี่มา ก, ก็จะบอกว่าห้าร้อยตัวเลขห้าร้อยนี่จะเป็นหลักเพราะมันมากว่าก็เป็นวันณะที่สามและพวกพ่อคา้าต่อไปวันณะที่สี่สุดท้ายต่ําสุดก็เรียกว่าวันณะดสุดสุทระหรือบาลีก็เป็นสุทธะ หมายถึงพวกคนชั้นกรรมกรพวกคนรับใช้คนรับจ้างเป็นแรงงานต่างๆพวกนี้พราหม์ก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าพระพรหมนั้นสร้างมาจากพระบาทคือเท้าพระเจ้าได้ก็มารับใช้เขาก็สี่วันณะ น, นี้เกิดมาอย่างไงก็ต้องอยู่อย่างนั้นจนตายแล้วพราหมณ์ก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติมาเสร็จว่าใครจะอยู่ในสถานะสูงต่ำอย่างไร พรามนี่จะต้องได้รับความเคารพนับถือยกย่องเป็นผู้ที่สูงเป็นผู้บริสุทธิ์มีฐานาเป็นที่เคารพ บ, บูชาแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่สื่อสารกับพระพรหมได้เหมาะความประสงค์ของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์จะเอายังไงเพราะฉะนั้นคนอื่นต้องเชื่อฟังใช่ไอันนี้ก็พรามก็ผูกขาดก็ คัมภีร์ที่พรามณ์สืบต่อกันมานี่เป็นที่รักษาคําสอนอะไรต่างๆของพระพรหมที่ท่านสื่อสารมาเนี่ยก็เรียกว่าพระเวทพระเวทก็แบ่งเป็น3าส่วนสําคัญเรียกว่าไตรเพศอะรก็มีคมภีร์เพิ่มขึ้นมาอีกจากไตรเพศเรียกว่าอาถรรพ์พระเวทอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์เรื่องของสิ่งศิลปศา ส, สิ่งลึกลับเนี่ยมาในคำพีเนี่ยเป็นพระเวทที่จริงเป็นที่4แต่ว่าเขาก็ไม่นับเข้าก็ยังเรียกไตรเพศและอันนี้ก็เป็นพระเวท อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญหลักการข้อบัญญัติเกี่ยวกับชีวิตคนเรื่องวันนั้นอะไรต่างๆก็จะถือตามกันมาเนี่ยถือว่ามาจากพระพรหมทั้งสิน้นเพราะฉนั้นพวกวันนั้นเหล่านี้ก็ต้องปฏิบัติไปตามจะประพฤตินอกออกไปไม่ได้ใครเกิดมาในวันนั้นไหนก็ต้องทําไปตามแล้วก็ต้องยึดมั่นในวันนั้นของตนถ้าเกิดไป ทำอะไรที่ผิดพลาดก็ถือว่าบาปแล้วก็แต่งงานนอกวันณะกฆ่าวันณะไม่ได้ถ้าแต่งออกมามีลูกมาเป็นคนนอกวันณะเรียกว่าจันทานเป็นคนชั้นต่ำถูกดูถูกหนักเข้าไปอีกแล้วก็ยิ่งแย่ใหญ่จันทานี้เป็นพวกที่ต่ำสุดเขาเรียกว่าเป็นพวกที่แตะต้องไม่ได้ไอ้คำว่าแตะต้องไม่ได้ที่จริงมันมองในแง่ดีก็คือแหมสูงเสุดเกินใช่ไหมแต่ที่นี่มันกลายไปว่าต่ำสุดสุดจนกระั่งแตะต้องแล้วก็เป็นบาปไปหมด ใครไปถูกตัวอย่าว่าจะถูกตัวเลยคนจันทานนี่เดินผ่านมาเงามาพาดที่จานข้าวตั้งคว่างทิ้งหมดเลยนะกินไม่ไดนะ้ข้าวนั้นเป็นเสลียดจันทร์ไราะ น, นั่นก็แตะต้องไม่ได้พวกต่อมาเขาเรียกว่าพวกอันทัชเบิร์ซึ่งเป็นปัญหาเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นปัญหาในสังคมอินเดียอยู่อันนี้ก็ไปลว่าพวกนี้ก็ถือเรื่องวันณะรุนแรงมาก ทีนี้ต่อมาในด้านอื่นๆนอกจากว่าพระเจ้าจะสร้างคนมาแบ่งเป็นวรรณะต่างๆนะแล้วก็เพราะเหตุที่ถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างสารบันดาลโลกเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดอะไรแต่อะไรจะเป็นไงก็สุดแต่พระองค์เพราะฉะนั้นก็เกิดมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าอ้าวแล้วมนุษย์จะทําไงเพราะอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่พระองค์นี่ก็เราจะ ได้ดีมีสุขหรือจะประสบความทุกข์มันก็เป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ของเราต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพบิเจ้าเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนี่ถ้าหากว่าเราทําไม่ดีพระผู้เป็นเจ้าเทพเจ้าไม่โปรดเราก็แย่ทีนี้ถ้าหาว่าเราทําให้ท่านโปรดพอพระไทยเราก็ได้ประสบผลดีที่ปรารถนาจะทําไงล่ะทีนี้เรามนุษย์มันก็ ดีๆารๆมันก็ประสบเหตุการณ์ความผันผวนเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งภายในชีวิตของตนเองในสังคมตนเองแล้วก็ในธรรมชาติแวดล้อมที่ตัวบังคับควบคุมไม่ได้เหตุการณ์ภัยธรรมชาติน้ำท่วมแผ่นดินไหวอะไรตๆๆ่างๆก็มานอันนี้พวกนี้ก็ถือว่าโอ้ทำยังไงก็จะต้องไปอ้อนวอนเส้นสวงบูชาเอาใจเทพเจ้านี่ถ้าหากว่าจะมีภัยตรายหรือกลัวก็ต้องไป อ้อนบอนขอให้ท่านช่วยป้องกันปัดเปล่าพยันตรายหรือต้องการผลที่ปรารถนาก็เช่นเดียวกันก็ต้องไปอ้อนบอลเอา อ, อกใจซึ่งอันนี้มันก็เป็นแนวเดียวกันศาสนาโบราณทั้งหลายอื่นในที่พวกนักปราชญาท่านักวิชาการเขาบอกว่าเหตุเกิดศาสน า, าก็มาจากความกลัวโดวยเฉพาะภัยธรรมชาติ ฟ, า ฟ, าฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวน้ําท่วมลมพายุมาอะไรต่างๆเหล่านี้พวกนี้คาคนประชาชนหวาดกลัวไม่รู้เหตุรู้ผลมันเป็นมายังไง ก็นึกนมองในแง่เทียบกันในสังคมมนุษย์เนี่ยว่าเราจะเป็นยังไงมันก็มีคนที่ใหญ่กว่าเราซึ่งเขาอาจจะมาทำร้ายเราหรือมาใช้อํานาจจัดการกับเราได้นี่คงจะมีอะไรในธรรมชาติที่มีผู้ยิ่งใหญ่มีอํานาจมาบันดาลเพราะนั้นมนุษย์ก็เลยสร้างถ้ามองในแง่ของเราก็คือมนุษย์ก็สร้างเทพเจ้าขึ้นมาจากภาพของมนุษย์ด้วยกันก็คือภาพของมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็มีเทพเจ้าที่มีอํานาจที่บันดาลทุกอย่าง นันมนุษย์ก็จะไปเส้นสูงอ่อนวอลทาให้เกิดศาสนาศาสนพราหมณ์ก็มีความสัมพันธ์แบบนี้นี่ก็พราหมณ์เขาเป็นผู้ที่ติดต่อพระผู้เป็นเจ้าได้นี่ใช่ไหมเพื่อ เ, เป็นธรรมดาคนทั้งหลายที่เกรงกลัวอำนาจเร้นลับเหนือธรรมชาติซึ่งมาจากพระผู้เป็นเจ้าก็ต้องไปติดต่อพราหมณ์พราหมณ์ก็บอกสิว่าจะต้องทํำยังไงเออจะอ่อนวอลยังไงไงนะีต่อมาพราหมณ์ก็มีเวลาก็คิดพิธีขึ้นมา ก็กเทพเจ้าเนี่ยมีมากมายเนี่ใช่ไหมตั้งแต่เทพสูงสุดลงมาแล้วก็เทพเล็ก ๆ, ๆน้อยๆมันก็เป็นไปได้ที่ว่าพรามก็จะต้องบอกว่าเอาเทพเจ้าองค์นี้นะเก่งในด้านนี้เก่งในด้านองค์นี้เก่งในด้านลาบองค์นี้เก่งในด้านยศองค์นี้เก่งในด้านของการที่จะให้ผลตามปรารถนาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรื่องการมีลูกเรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ว่ากันไปทีนี้เทพเจ้าแต่ละองค์ก็อาจจะชอบเรื่อง เส้นสูงอ่อนวรไม่เหมือนกันองค์ชอบอย่างนี้อย่างนั้น น, นี่พรามก็เป็นผู้เชี่ยวชาญสิใใคล้ายๆว่ารู้ใจเทพเจ้ารู้วิธีติดต่อทําพิธีกรรมที่จะติดต่อวิธีกรรมมันก็กลายเป็นเรื่องเครื่องมือวิธีการระเบียบปฏิบัติในการสื่อกก่เทพเจ้าใช่ไหมนี่พิธีกรรมก็คือมีความหมายในเชิงศักดิ์สิทธิ์เล่นลับขลังอย่างที่ว่าที่เราพูดเกี่ยึกัเรื่องความหมายพิธีกรรมที่คนชาวบ้านเข้าใจกันเยอะอันนี้ ชาบ้านก็ต้องการผลในทางที่ปัดเป่าเพรา ะ, ะไรหรือว่าต้องการผลในทางโชคลาภอะไรก็ไปหาพรามพราม์ก็ประกอบพิธีกรรมให้ซึ่งเราเรียกกันว่าเส้นสูงบูชานี่นี่การเอาใจเทพเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราไม่รู้ใจท่านก็เอาใจยากใช่ไหม มนุษย์ก็จะต้องทําอย่างดีที่สุดของตัวเองนี่สมมติว่าเราไปอ้อนวอนบูชาเส้นสูงไปครั้งนี้ก็ไม่ได้ผลสําเร็จมนุษย์มีความเชื่ออยู่แล้วว่าเทพเจ้าเนี่ยเป็นผู้บันดาลก็ย่อมนึกว่าเอ๊ะเรานี่ทําไม่ถูกพระไถ่ทันใช่ไหมเขาไม่นึกเป็นอย่างอื่นเขาไม่นึกว่ามีหรือไม่มีแต่เขาไป็ น, นึกในแง่ว่าเราทําไม่ถูกพระไถพระองค์ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดัดแปลงหรือมาเพิ่มเราอาจจะถวายเครื่องเส้นสูงบูชาน้อยไปก็ต้องมาเพิ่มอีกนี่เพิ่มทําไปหรือไปหาพราพรามก็ จ, จะบอกอย่างนั้นบอกเธอเนี่ยทําไม่ถูกวิธีผิดอย่างนั้นนี้ใช่ไหมอา้าวก็ต้องมาเอาใจก็ไปทําเพิ่มอีกพอเพิ่มแล้วเกิดมันจำเพาะไม่ได้ผลบางอย่างขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยคนมันก็มองพยายามเข้าข้างตัวอะไรเนี่ยเออดูท่ามันจะเข้าเข้าแล้วแต่ว่ามันยังน้อยไป นั่นเองถ้าเราเพิ่มเครื่องเส้นทําให้มันใหญ่โตอีกหน่อยท่านคงจะโปรดมากกว่านี้ก็ยิ่งเพิ่มใหญ่ใช่ไหมออพอได้มาคราวนี้โอ้ได้มาบ้างแล้วต่อไปจะให้ได้มากที่สุดก็ยิ่งเพิ่มถ้าอย่างนี้ก็พัฒนาเรื่องการเส้นสูงไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมเราจะเห็นได้ว่าการเส้นสูงสังเวยนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกทีการเส้นสูงบูชาเป็นรูปแบบต่างๆก็โดยเรียวกว่ายันยะก็คือการบูชายันดังนั้นการเส้นสูง ต่างๆในศาสนาพราหมณ์ก็รวมอยู่ในคําว่ายันเราเรียกเป็นภาษาไทยว่าบูชายันการบูชายันก็เป็นเรื่องสาคัญที่ว่าพราหมณ์จะเป็นผู้ช่วยประกอบพิธีในการที่มนุษย์จะติดต่อกับเทพเจ้าโดยการเอาอกเอาใจถวายเครื่องเส้นสูงสังโวยเพื่อจะให้ท่านได้โปรดปรานแล้วก็บรรดาผลที่ต้องการให้ในการบูชายันตก็วิจิตพิสดารขึ้นมา มากมายเพราะเอาใจไม่ถีที่สุ ด, สดยิ่งพวกที่มาบูชายันญนั้นเป็นพวกผู้มีอานาจเป็นเศรษฐีใช่ไหมก็ยิ่งมีพิธีกรรมใหญ่โตจน ก, กระทั่งว่ากษัตริย์นี้ต้องการที่จะแผ่อานาจอยากจะรบชนะเน่าก็ต้องเอาใจเทพเจ้าอีกใช่ไหมทำไงก็มหาพราหมณ์ว่าจะต้องบูชายัญเน่นะรารามก็ว่าอาจะรบครั้งนี้นะยิ่งใหญ่นักต้องประกอบพิธีบูชายันญให้ใหญ่เราจะได้รับยศชนะเนะี่ยต่อมาก็มีพิธีกรรมอย่างเรื่องพวก อัศวเมษการฆ่าม้าบูชายัน้าม้าบูชายันก็เขาเรียกว่าปล่อยม้าอัศการเอาเจ้าชายซึ่งเป็นนักรบที่กลั่นกรองแล้ว100องค์พร้อมทั้งทหารบริวารไปกับม้าที่เลือกแล้วเนี่ยดวม้าอัศการแล้วก็เดินทางไปหนึ่งปีผ่านดินแดนไหนดินแดนนั้นต้องเปิดให้ผ่านถ้าไม่ผ่านรบกันเนจนกระทั่งว่า ครบหนึ่งปีก็กลับมาถึงดินแดนของตัวเองก็พอกลับมาก็จัดพิธีใหญ่โตเลยคราวนีน้ฉลองกันเต็มที่แล้วก็ฆ่ามานั่นเสียบูชายันนก็อัศมเมษเมษก็ในที่นี้หมายถึงการฆ่าอัศเมษก็ฆ่ามาบูชายั น, นอันนี้ก็เป็นการฉลองชัยชนะไปด้วยนี่เป็นตัวอย่างยันอื่นก็มีมากมาย ที่ใหญ่พอสมควรก็จะเห็นว่ามีในพระใจเป็นดกบ่อยก็คือเรื่องที่ว่ากษัตริย์หรือพรา์ผู้ใหญ่เนี่ยจัดพิธีซึ่งมีพิธีกรรมต่างๆระเบียบพิธีเนี่ยมากมายแล้วส่วนหนึ่งก็คือค่าแพ้500แกะ500บัว500อันนี้จะเป็นระเบียบทั่วไปเลยนะอันนี้ก็พวกที่จัดพิธีพวกขาดาดกันเดือดร้อนกันวุ่นวายหมดร็พระเจ้ามาแก้เรื่องปัญหาเรื่องบูชาญาได้นนหลายครั้ง หรืจะเคยเล่าไปแล้วหรื อ, อยังก็ไม่ทราบนะก็การบูชายัญก็มีอย่า ง, งนี้จนกระทั่งในที่สุดก็เอาใจขนาดค่าคนเลยก็ถือว่าถ้าค่าคนบูชายัญได้ก็เป็นการที่ได้เอาใจพระผู้เป็นเจ้าเทพเจ้าอย่างสูงสุดเลยเขาเรียวกว่าสรวเมธสรวเมธก็เป็นภาษาไทยก็สัพพเมธสัพพเมธสรวเมธะของเขาสรวเมธาสรวแปลว่าสัพพะทั้งปวงเมธาก็ฆ่าบูชา นั่นสระเมตะหรือว่าสัพพเมก็คือค่าหมดทุกอย่างครบมีค่าคนด้วยนะค่าคนบูชายัญเนี่ยก็เป็นมาอย่างเงี้ยสภาพของสังคมความสัมพันธ์กับเทพ เ, เจ้าแบบที่บูชงอ่อนวานมนุษย์ก็มองเป็นนอกตัวสิอะไรจะเป็นไปยังไงตัวเองจะต้องการผลยังไงแทนแต่จะคิดว่าเออตัวเราจะต้องทําอะไรบ้าง หรือถ้าทำไปแล้วมันไม่ได้ผลดีแทนที่จะไปคิดว่าตัวเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขาการกระทำของเราอย่างไรไม่คิดเลยคิดแต่ในแง่ว่าเออเราจะไปให้เทพเจ้าองค์ไหนท่านทำให้แล้วถ้ามันไม่ได้ผลดีแทนจะคิดปรับปรุงก็อย่างที่ว่าก็ไปปรับปรุงพิธีกรรมใชม่ว่าทำไงจะทำพิธีกรรมการบูชายันให้ได้ผลตามปรารถนาใจคนมาออกไปข้างนอก ไม่พัฒนาตัวเองมุ่งหวังผลสําเร็จจากการโดนบรรดาของเทพเจ้าเนี่ยเป็นสภาพของสังคมอินเดียก็มีเรื่องหมู่มนุษย์ก็เป็นเรื่องวันณนะใช่ไหมแบ่งไปหมดเลยมนุษย์ก็ต้องอยู่ในสภาพอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทีนี้มันก็มีผลไปอีกพรามแกเป็นผู้สื่อสารกับเทพเจ้าแกก็ถือตัวเป็นผู้รู้หมดแกก็ผูกาดการศึกษาธรรมีพระเวทนี้เป็นที่บรรจุของพัฒนาการทางความคิดความเข้าใจความเชื่อของมนุษย์ก็มารวมอยู่ในนี้ อันนี้พวกชั้นต่ําเขาก็กีดกันสิไม่ให้เรียนพระเวทอย่างชนวรนนัสูนี่ก็เรียนพระเวทไม่ได้อย่างเหมือนเคยเล่าอะไรบอกว่าคำพีร์มนุธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นคมภีร์ที่พยายามที่จะทําระบบวรรณะให้มั่นคงยิ่งขึ้นต่อมาก็ถึงกับบัญญัติว่าคนวรรณันนสูตถ้ามาฟังพระเวทให้เอาตะกูหลอมยอดหูมันถ้ามันมาสาธยายพระเวทให้ตัดลิ้นมันเสีย ถ้ามันมาเรียนพระเวทให้ผ่ากายมาเป็นสองซี่ก็ตายแน่ๆนะใช่ไหมฮะเนี่ยบัญญัติกันไว้อย่างเงี้ยพวกวันณสูตรก็ยังเรียนฟังพระเวทไม่ได้เพราะนั้นมันจํากัดผูกขาดการศึกษาคนชั้นต่ําไม่มีทางเลยภาษาอย่างภาษาสันสก ritis เป็นภาษาชั้นสูงภาษาสันสกฤ i t ี่เป็นภาษายุคหลังที่เกิดจากภาษาพระเวททีภาษาพระเวทเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ต่อมาก็วิวัฒนาการเป็นภาษาสันสกฤตเป็นภาษาของชนชั้นสูงใช่ไหม นั้นการศึกษาก็อยู่ในพวกชนชั้นสูงเท่านั้นพวกชนชั้นต่ำมันถูกจํากัดสิทธิอะไรต่างๆอยู่แล้วและยิ่งโอกาสในการศึกษาไม่มีมก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาตัวก็จมอยู่อย่างนั้นนี่สภาพสังคมก็อยู่ในภาวะอย่างนี้การศึกษาก็จํากัดถูกขาดกันดังนั้นถ้าว่าคนจันทานนั้นไม่มีทางได้เล่าเรียนในชาโดกก็มีเรื่องถึงว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยไปเกิดเป็นคนจันทานที่จะเคยเล่าแลไรเมื่อกันนะแล้วก็ พวกคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไปเรียนกันที่เมืองตักกสิลาที่เมืองกาตักกสิลาก็มีอาจารย์ท่สาปามุกท่สาปามกมาามมก็แปลว่าอาจารย์ผู้เป็นประมุกในทิศนั้นหมายความว่าเป็นที่หรือลัานยิ่งใหญ่ในทิศของตนของตนที น, นี้กษัตริย์หรือเศรษฐีอะไรตาวว่างๆผู้วรรณะสูงๆอยากจะศึกษาเนี่ยก็ต้องส่งลูกไปเรียนสมัยก่อนการคมนาคมก็ไม่ได้สะดวกต้อง เดินทางฝา่าความธุร ก, กันดานฝาา่าภัยอันตรายระจญภยัยเดินทางกันไปไกลก็ไปเรียนที่ตากศิลาซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียก็จะมีเรื่องราวเป็นการประจญภัยของพวกเจ้าชายหรือพวกรูปเศรษฐีเหล่านี้บ้างแม้แต่หมอชีวกนี่ก็ไปเรียนที่นั่นอันนี้ก็มีเรื่องในชาดดว่าว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นคนจันทานก็อยากจะศึกษาแต่ว่า การศึกษาสมัยนั้นผูกขาดเข้าไม่ให้คนวันณะต่ำและนอกวันณะเล่าเรียนแม้แต่สูตรยังเรียนไม่ได้และนีจัดทานยิ่งต่ำหนักเขาไปจะไปเรียนยังไงแต่พระโพธิสัตว์นี่เป็นผู้ฝ่ายศึกษาก็อยากจะเรียนก็ทําไงแล้วก็ต้องปลอมตัวคือไม่ต้องปลอมตัวหมายความว่าจะเข้าไปเรียนโดยไม่เปิดเผยวันณะของตนเอง ก, ก็เท่ากับปลอมตัวนี่แหละนะว่าเป็นวรนละสูงก็เลยเข้าไปเรียนได้เข้าไปเรียนที่สำนักอจาจารย์นิสาปาโม่แต่ทีนี้ เรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละวันณะนเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะได้มาเกี่ยวข้องสังสรรค์กันเพราะฉะนั้นคนอย่างวันนั้ต่ำเขาก็ไม่รู้เรื่องของชีวิตของคนชั้นสูงเท่าไหร่มันปิดไม่ไหวนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยเข้าไปเรียนอยู่กับเพื่อนๆซึ่งเป็นวันนัส้สูงๆต่อมามันปิดไม่อยู่ไอ้สภาพการประพฤติปฏิบัติถ้อยคําหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันแสดงออก พวกเพื่อนๆก็จับได้ว่าไอ้นี่มันมาจากวันนัตต่ำนี่นะใช่ไหมเพอจับได้เนี่ยทั้งๆที่เป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันใกล้ชิดสนิทสนมมาตั้งนานแล้วซ้อมกันสมไม่มีเลยเนะีซ้อมพระโพธิสัตว์เลยต้องหนีออกมาจากสานักบทโอกาสเล่าเรียนนี่นะี่นี่เรื่องพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นต้านปฏิวัตนะินะก็ให้เห็นตัวอย่างว่าเขาผูกขาดการศึกษากันสังคมอิเนเดียก็เป็นอย่างที่ว่า การศึกษาผูกขาดด้วยคมภีร์พระเวทนะถือคำพีพระเวทศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครไม่ได้เรียนพระเวทไม่ได้เข้าถึงพระเวทก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นบรรลุจุดหมายของชีวิตที่ดีงามได้นะคนก็แบ่งเป็นวันณะสี่ต้องอยู่ในวันณะของตนนะมนุษย์จะได้ดีมีสุขก็ต้องอยู่ที่การดลบรนดาลพระเทพบาจาผ่านสัมพันธ์ในการบูชาหยันนะนี่ก็เป็นสภาพที่เราควรจะตั้งเป็นข้อสังเกตที่สําคัญสําคัญทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเมื่อ ศาสนาพราดได้เจริญรุ่งเรืองอยู่อย่างนี้นะก็ในด้านบ้านเมืองก็มีกษัตริย์ต่างๆธรรมดากษัตริย์ก็ย่อมมีการแย่งชิงดินแดนรบราคาฟันกันนะในที่สุดก็จะมีแว่นแควนหรือรัฐบางรัฐเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะมีอำนาจมากใช่แต่ก่อ น, นอาจจะเป็นแว่นแควนเล็กๆ น, น้อยๆในสมัยพุทธกาลนี่บอกว่ามี16ประเทศเรียกว่ามหาชนบทประเทศใหญ่16ประเทศ รว่า อ, อังคะมกทกาศิโกสละวัชีมั ล, ลเจตีวังสกุรุปัญจาลอักะอาวันตีคันธารกัมโพชะนะมี16แคนแต่พอถึงพุทธการจริงนี่ปรากฏว่าบางแควนก็ถูกปรับป ร, บปรามรวมเข้าในแคนใหญ่ๆอื่นเช่นอังคะก็เข้าไปรวมอยู่ในมคตที่เขาว่าเดี๋ยวนี้ก็คือแถบแถบเบงกร กาศีซึ่งเมืองมีเ ม, มืองพารานศีเป็นเมืองหลวงก็มีประวัติการรบราฆ่าฟันกับโกศลเนี่ยยาวนานมากนะมีในชาดดกในคำพีพุทธศาสนาก็เล่าไว้แต่มาถึงพุทธกาลแคว้นกาสีก็ได้ถูกรวมเข้าในแคว้นโกศลไปแล้วนะแล้วก็ยังมีแคว้นอื่นๆ อ, อ, อีกรวมแล้วที่ใหญ่จริงๆในสมัยพุทธกาลก็มี น, นราห้าหกแม่ก็มีมคธเนี่ยยิ่งใหญ่มากคู่กับโกศลมคธโกศลตอนนั้นเรียกว่าใหญ่คู่เคียงกัน แล้วต่อมาพอหลังพุทธกาลไม่ช้าก็โกศลก็ไปก็สลายต่ออะไรอีกแคนที่ใหญ่มากสู้รบกันอยู่เป็นมหาอำนาจก็คือวัดชีวัดชีก็สู้กับแข่งอํานาจกับมรคเนี่ยแต่ว่าพอถึงสิ้นพุทธกาลไปไม่ทันไรก็มคตก็ปราบวัดชีได้ดงั้นคตก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งในที่สุดก็มคตนี่แหละเป็นที่ เรียกว่าเหลือพูดเดียวเลยเหลือแคว้นเดียวทางไกลไปก็มีแคว้นอวันตีนี่นั่นก็ใหญ่เหมือนกันแล้วก็แคว้นวังสักด์นั่นอยู่อีกแถบนึงเลยออกไปทางกลางไปทางตะวันตกพวกนั้นก็ใหญ่เหมือนกันต่อมาก็เข้าไปอยู่ในความมขดหมดปราบหมดนี่พวกกษัตริย์เหล่านี้ก็แย่งชิงอํานาจกันอย่างที่ว่านะแคว้นต่างๆก็มีอานาจเมื่อมีการ พัฒนาบ้านเมืองใหญ่โตขึ้นการเดินทางระหว่างกันก็มากขึ้นพ่อค้าพานี่นก็เดินทางค้าขายนะคนวันนั้นหนึ่งก็ได้เจริญขึ้นมาก็คือพวกพ่อค้ามีเงินมีทองมากก็เป็นเศรษฐีเศรษฐีก็มีความสําคัญเพราะว่ามีความหมายถึงความเจริญทางด้านวัตถุเศรษฐกิจของบ้านเมืองนั้นอยงกระทั่งว่าพวกกษัตริย์ประเทศต่างๆนี้จะต้องพยายามให้มีเศรษฐีในบ้านเมืองของตน บางแคว์นี้มีเศรษฐีน้อยก็ไปขอเศรษฐีจากอีกแค้์หนึ่งมาใช่ไหมแล้วมีการตั้งตําแหน่งเศรษฐีเรียกว่ายกย่องผู้ที่มีเงินมีทองมากแล้วก็มาบ้านเมืองก็ให้เกียรติตั้งเป็นการที่พระเจ้าพระราชาตั้งตั้งให้เป็นเศรษฐีเขาเรียกว่าบูชาด้วยตําแหน่งเศรษฐีแล้วก็เศรษฐีก็จะมีหน้าที่เนี่ยไปเฝ้าพระราชาวันละสองหนอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ เงินทองสะพั่งมีการบำรุงบำเลอคนก็เริ่มมีความสะดวกสบายก็หันมาหมกมุ่นในเรื่องของการมาสุขมากขึ้นนี่ก็ด้านหนึ่งนะนี่ก็เป็นสภาพบ้านเมืองที่เจริญนะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือว่าบางคนเนี่ยจากความเจริญเกิดขึ้นความพรั่งพร้อมทางวัตถกุก็จะมีคนที่เบื่อหน่าย คนที่เบื่อหน่ายโลกก็สละโลกออกไปหาความสุขทางจิตใจก็ไปอยู่ป่าเป็นลูษีชีไพรพวกนี้ก็จะตัดขาดจากสังคมไม่เอาเรื่องเอาราวัตใครไปหาความสงบทางจิตใจนะไม่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านซึ่งพวกนี้มันก็สืบมาจากเก่าเหมือนกันแต่ว่าในตอนยุคพุทธกาลนี้ก็ชีวิตแบบเนี้มีค่าว่าอาจจะเริ่มปรากฏเด่นๆขึ้นมา อนี้พวกนี้ไปอยู่ป่าตัดขาดจากสังคมไม่อยากยุ่งกับใครก็ไปเก็บเผืกกีบเก็บมันกินเก็บผลไม้มากินเอาเองนะก็เท่ากับมีชีวิต2แบบคือชีวิตแบบว่าหมกมุ่นในกาลมรมณ์หาความสุขทางวัตถุอามิตรแล้วก็พวกที่ตัดขาดปลีกตัวจากสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครหาความสมุบทางจิตใจได้ชานสมาบัติแล้วก็เล่นฌานเป็นฌานกีฬาเลย พวกอษีฉีไพรและนอกจากนั้นก็ยังมีพวกการแสวงหาสัจธรรมอะไรต่างๆก็มีนักบวชเร่ร่อนอย่างพวกปริพาชกพวกนี้ก็จะเที่ยวเดินทางไปโตวาทะทาขนโตวาทีเพื่อแสนงหาปัญญาสัจธรรมอะไรคือความจ ร, ริงนะก็เป็นสภาพในพุทธกา ร, รนะซึ่งแสดงถึงความเฉลยทางอริยธรรมแต่ผู้คนก็มีความสับสนอยู่พอสมควรว่าอะไรคือความจริงความแท้ก็มีผู้ที่มา ตั้งตัวหรือว่ามีความสามารถที่ได้รับยกย่องขึ้นมาเป็นหัวหน้าหมู่คณะเป็นศาสดาเป็นเจ้าลัทธิอะไรต่างๆก็มากพอสมควรอย่างในพุทธกาลเราก็บอกมีศาสดาหลัทธินี่นอกจากพวกพราหมณ์ทีนี้สายพวกพราหมณ์เองนี่ก็เป็นวรนนันใหญ่ใช่ไหมเ พ, พราะศาสนาพราหมณ์นี่ครอบงำสังคมอินเดียทั้งหมดมีอิทธิพลมากที่สุด น, นี่ตัวพราหมณ์เองเนี่ยแก่เป็นนักบวช เป็นชนชั้นวันนานักบวชเป็นเจ้าพิธีไม่ไปเป็นญาชนเป็นนักวิชาการแต่แก่คลองเรือนก็มีครอบครัวใช่ไหมแกอยู่บ้านแล้วก็บัญญัติของวันนาขอแกก็มีเข้มงวดมากเพื่อจะรักษาวันณะไม่ให้ป่าคนพราม์ที่บริสุทธิ์จริงๆจะต้องบริสุทธิ์มาเท่านั้นเจ็กี่ชั่วอายุคนอะไรต่างๆบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายอะไรต่างๆว่าไปพราหมณ์ก็เป็นนักบวช ด, ด้วยแต่คลองเรือนด้วย พรามนี่ก็ชักมีอำนาจมากขึ้นบางคนก็ครองดินแดนเลยบางคนก็ได้รับมอบหมายอำนาจจากกษัตริย์ให้ปกครองดินแดนส่วนนี้เป็นทั้งพรา ม, มเป็นทั้งผู้ปกครองแว่นแคว้นไปด้วยอันนี้สาภาพอย่างนี้มีอยู่พระพุทธศาสนาก็มาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าได้มาประสูตดเป็นเจ้าชายชิดธรรในแคว้นสากัญ นี่พระองค์ก็ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนต่า ง, างๆสภาพความเชื่อถือการปฏิบัตินิดต่อมาพระองค์ก็ได้เสด็จออกคำนวณซึ่งตามเรื่องเราก็บอกว่าพระองค์ก็ได้พิจารณาเห็นว่าคนทั้งหลายเนี่ยเกิดมาแล้วก็ตกอยู่ใต้อำนาจคติธรรมดากฎธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็อยู่กันแค่นี้หมุนเวียนไม่มีทางออกมันชีวิตมันไม่มีอะไรมีความหมายดีกว่านี้เลย พระองค์ก็เลยคิดแสวงหาและอย่างที่มีเรื่องเป็นว่าพระองค์ได้เสด็จออกไปนอกพระราชวังไปประเสริประพาธและก็ได้เห็นเทวทูตสี่ที่จริงคือนิมิตสในพระคัมภี์ท่านไม่ได้เรียกเทวทูตสี่แตเรียกว่านิมิตส 4. นิมิต4ี่นั่นคือเทวทูตสามกับสมณะ แล้วก็เลยมาเรียกรวมกันความจริงอันที่สี่ไม่ได้เป็นเทวทูตสมณะนี่ไม่ได้เป็นเทวทูตสักหน่อยถูกรวมก็เป็นเทวทูตอยู่ด้วยนะีในมิตร เ, เทวทูตสามก็คือว่าเทวทูตเนี่ยเขาให้ความหมายว่าเป็นสื่อเป็นสื่อของเทพเจ้าคือยมเทพยมเทพก็คือความตายหมายความว่าคนเกิดเออคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ย เป็นสื่อของพยาโยมเป็นทูตของพยาโยมแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายใช่ไหมเนี่ยเป็นทูตของพยาโยมใครเห็นแล้วก็ต้องรู้ถ้าเรามองในแง่คติธรรมก็คือว่ามันเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงกฎธรรมชาติที่ว่าจะต้องแก่เจ็บแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปหาพยาโยมเพราะฉะนั้นพวกนี้เรียกว่าทูตพยาโยมสวนสมณะเนี่ยเป็นทางออก ที่จะให้พ้นจากคติธรรมดานี้เป็นอย่างน้อยเป็นความหวังเพราะนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าเทวทูตเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพญายมอา้าทีนี้พระโพธิสัตว์ก็ไปเห็นเทวทูตสามพร้อมทั้งสมณะอขอนอกเรื่องอีกนิดหนึ่งเทวทูตเนี่ยมีชุดสามกับชุดห้าชุดห้าก็เพิ่มเกิดด้วยเกิดแกเจ็บแล้วก็คนถูกลงโทษ คนถูกทำคนทำความผิดต้องโทษพระราชาเอาไปใส่คุกจองจำต่างๆด้วยวิธีลงโทษตามหลักศาสนาพราหมณ์นโหลงโทษรุนแรงมากเนเะมืองไทยเราก็รับเอาประเพณีการลงโทษแบบนี้จากของอินดูเข้ามานะในสมัยโบราณก็มีวิธีเหล่านี้คือคาอะไรต่างๆเนี่ยนะเอามาจากอินเดียเยอะนี่ก็แปนว่ามีคนเกิดคนแก่คนเจ็บ คนถูกลงธันดกรรมกรเ<น>ขาเรียกกรรมกรณะเน่ยลงลงโทษจองจําเป็นต้นเนี่ยแล้วก็คนตาย5้าอย่างเนี่ยเป็นเทวทูตชุดหและชุดสามก็ตัดคนเกิดแล้วก็คนถูกลงโทษนี่ออกก็เหลือสามคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นเทวทูตอันนี้พระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธฐตถานี้ก็ได้เสด็จประพาสในเมืองกบิลพัทแล้วก็ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย พระองค์ก็มานึกถึงเรื่องนี้เรื่องไรมนุษย์เกิดมาก็มาอยู่ใต้คติธรรมดาไม่มีอะไรเกิดแล้วกัดแก่แล้วเจ็บตายไปนะแล้วก็มีอะไรชีวิตมีความหมายอะไรพระองค์ก็ต่อมาอีกครั้งหนึ่งก็ไปเห็นสมณนะใช่ไหมมีลักษณะชีวิตที่น่าเรื่อมใส่แล้วก็โยงมหาพระองค์ว่าไอ้อันนี้มอาจจะเป็นทางออกที่จะทําให้เราได้ค้นหาสิ่งที่ดีมีความหมายแทนจริงเป็นทางรอด ทาหลุดพ้นจากไอ้เรื่องของการเกิดแก่เจตตายความทุกข์ของมนุษย์เราก็เลยทรงนึกถึงสมณะนี้ว่าน่าจะเป็นทางออกได้แล้วก็เป็นเหตุให้พระองค์คิดจะออกไปมีชีวิตยอย่างสมณะนั้นใช่ไมเพระฉนั้นสมณะนี้ไม่ใช่เทวทูตก็เป็นทางออกหลังจากเห็นเทวทูตนี่ ก็เป็นเรื่องตามประวัติในตำนานพุทธศาสนาในคำผีด้วยนะก็เรียกว่าเป็นภาพของพระโพธิสตัตว์พระพุทธเจ้าในสังคมนั่นแต่ว่าในนั้นจะไม่ได้อธิบายถึงในเรื่องของชีวิตที่กว้างออกไปซึ่งเราจะต้องไปเก็บไปอ่านเยอะแยะใช่ไหมอันนี้ว่ามนุษย์ที่เกิดมาเหล่านี้ที่ว่าวนเวียนอยู่ในเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันไม่ได้อยู่เกิดแก่เจ็บตายเฉยๆมันอยู่ในสังคมมนุษย์ที่ มีความเชื่อมีความประพฤติปฏิบัติประเพณีเหล่านี้ใช่ไหมซึ่งการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้มันก็รวมไปถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเป็นอยู่การประพฤติปฏิบัติความเชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยพระ เ, เจ้าก็ในที่สุดก็เลยได้เสด็จออกบรรญชาพเพื่อจะไปแสวงหาความจริงหาทางออกให้แก่ชีวิตและแก่หมู่มนุษย์ทั้งหลายที่เราเรียกว่าสังคมก็ไปค้นหาวิธีการที่ว่า มีความหวังว่าจะเป็นไปนได้ก็คนสมัยนั้นอย่างที่เล่าเมื่อกี้ก็หาทางออกกันอยู่แล้วอย่างบางพวกก็ตัดขาดจากสังคมไปอยู่เป็นลุษีชีไพร์นะบางพวกก็เห็นว่าการที่บำรุงบำเรอตนด้วยพวกต า, ามด้วยองอาวุธวัตถุสิ่งของสิ่งเสพต่างๆเหล่าเนี้ยมันโมจะลุ่มหลงเพลิดเพลินมันไม่ได้ทําให้ได้ความหมายที่แท้จริงความหมายที่แท้จริงมันน่าจะอยู่ที่จิตใจนะ ไอ้ทีนี้ร่างกายเนี่ยเราไปตามปลนเปลือมันก็เลยทําให้มาครอบคลุมบดบังความหมายที่แท้จริงที่จะได้จากจิตใจเพราะจิตใจมัวไปรุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นก็ต้องตัดสิ่งรุ่มหลงเหล่านี้ออกเพราะนั้นก็ต้องไมปตามใจตัวเองไม่บํารุงบําเลออันนี้เมื่อกายมันต้องการสิ่งเสพและต่างๆบํารุงบําเลอมันก็ทําให้ขัดขวางมาทําให้จิตใจพลามัวเพราะฉะนั้นต้องไปตามใจมันอาจจะต้องถึงกับว่า บังคับมันเลยเน่ยไปไปนอนมาก็เลยเกิดการประเพณตบะการประเพณตบะก็ทรมานร่างกายเลยคนนี้ใช่ไหมเช่นว่าบางลันทีนี้ก็บอกว่าเอา้าจะไปตามใจมันร่างกายนี่เดี๋ยวมันทําให้จิตของเรานี่หมุกหมกมุ่นลุ่มหลงน่ยพลาดบัวไปหมดอันนั้นก็ทรมานมันใช่ว่านอนสบายพลนเปลื อ, ล อ, ลอก็มีความสุขไม่ดีนอนบนหนามมันเล ย, เ, ยเอานะนอนบนหนาม นะาตามใจมันสบายนะเวลาเย็นก็ต้องการอุ่นเวลาร้อนก็ต้องการเย็นสบายเราก็ไปทรมานมันจะไปตามใจมันเพราะนั้นเวลาแดดออกร้อนๆก็เปยือเป็นนอนกลางแดดนะนะเวลาหนาวก็ลงไปแช่ตัวในแม่น้ำเพราะงั้นะเออทรมานมันจะไปตามใจมันไม่นะนะว่านะ ยืนนะ่ยอย่าไปตามใจถ้ามันไปอยากนอนก็อ น, นอนอยากนั่งก็ น, นั่งเดี๋ยวพักผ่อนมันตามใจมันเพราะฉะนั้นไปยืนมันขาเดียวด้วยนะียืนสองขามก็สบายเกินไปอปยืนขาเดียวกลางแดดยิ่งดีใหญ่เอากข้ไปอีกนะฮะทีนี้เราหายใจเมื่อกกินอาหารมันก็ตามใจตัวเองไม่เอาละอย่าไปกินมันอดมันถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็กิกนมันหน่อยหนึ่งใช่ไหมถ้ า, า, ถามันอดเลยโดยสิ้นเชิงก็ตายแน่ ก็ต้องพยายามอดมันให้อดได้มากที่สุดก็อดมันเท่าที่อดได้แล้วก็กินน้อยๆนะแล้วก็มีการบัญญัติว่าจะต้องให้กินทั้งละแค่นั้นแค่นั้นนะมีปริมาณจํากัดเลยใครจะเก่งต่อไปมันก็กลายเป็นอวดกันสิแข่งกันใช่ไหมใครมันจะกินน้อยกว่ากันใครจะอดได้นานกว่านอกจากนั้นแล้วไอเราหายใจนี่มันก็ตามใจมันมากไปเพราะฉะนั้นก็กลั้นลมหายใจมันสบังใช่ไหมโอ้ไปกันใหญ่ลนะ น, นี่ นี่ครับพมหนึ่งก็ไปประเพณญสมาธนะินั่งเข้าสมาธิได้ฌานสมาบัตินะฮะก็จิตก็ดื่มดำโอ้โหมีความสุขพวกฤาษีก็เลนชาติกีฬาอย่างที่ว่าบางก็ว่าได้เข้าไปรวมกับภาวะอะไรก็ไม่รู้นะเป็นพรหมมันเป็นอัตามันดืนดดรวมเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ก็สารพัดแหละนะนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสวงหาทางออกก็ไปในลัทธิสำนักต่างๆเหล่านี้อา้าว เขประเพ็โยค่ากับบะเพนกับเขานไปนั่งเข้าสมาธิได้ฌานสมาบัติอย่างที่เคยเล่าแล้วว่าไปเข้าสำนักอาราละดาบทการามะโคตรพระองค์ก็ได้ถึงอากินจัญญายจันยยนสมาบัติจบความรู้อาจารย์เป็นอรูปฌานชั้นที่3แล้วก็ออกไปสู่สำนักอุตกดาบทรามบุตรก็ได้จบเนวสัญญานาสัญญายจนะเต็มสมาบัติแปอรูปฌานครบถ้วน จบความรู้อาจารย์อาจารย์ก็ชวนให้สอนในสำนักพระองค์คงก็เห็นว่ายัางไม่ใช่ทางที่ถูกต้องมันอยู่แค่จิตดื่มดำไปทำให้จิตเนี่ยสงบได้โดยเหมือนกับเราเนี่ยมาคุมมันไว้แต่ความจริงมันก็คือจิตนั้นก็ยังเป็นอย่างเดิมแหละจิตแท้ๆยังมีกิเลสนอนอยู่ถ้า ไ, ไปไปประสบอารมณ์อะไรต่างๆเข้าเหตุการณ์เข้ามาจากภายนอกก็จะมีจิตวันไหวไปตามเพราะไม่รู้แจ้งความจริงของสิ่งต่างๆ พระองค์ก็ออกไปแสวงหาต่อครัพระองค์ต่อมาก็มีการไปบําเพ็ญตบะบาําเพ็ญทุกขกิริยาเนีเขาเป็นบำเพ็ญตะบะ ก, กันอย่างที่เล่าเมื่อกี้พระองค์ก็บําเพ็ญให้ถึงที่สุดอดอาหารเต็มที่การลมหายใจอะไรต่างๆพระองค์ทดลองหมดแต่ท่านในที่สุดก็สรุปได้ว่า้การกระทําแบบนี้มันไม่ใช่ธารมที่ถูกต้องพระองค์ก็หลังจากที่บําเพ็ญตะบะ ก, ก็มาทรงสวดพัตฐารอีกสวยพัตฐารเพราะว่าถือว่าต้องการที่จะใช้สติปัญญาให้ดี มันจะต้องให้ร่างกายมีกำลังแต่ไม่ใช่หมายความไปปลนเปลอมันมันอยู่ระหว่างกลางคือพวกหนึ่งก็จะปลนเปลอร่างกายให้มีความสุขหาความสุขจากการเสพจากกินอร่อยและอีกพวกหนึ่งก็บอกไม่ใช้ไม่ได้ก็ไปทรมานร่างกายไม่กินใช่ไหอันนี้มันก็เป็นสุดทางที่จริงชีวิตที่เราจะดีนี่เราอาศัยมันอาศัยร่างกายเพื่อจะได้ไปค้นหาแสวงหาต่อไป เพระนั้นต้องให้ร่างกายมีกําลังแข็งแรงแต่ก็ไม่ใช่เป็นปลเปลืยเพราะฉะนั้นพระโทธิสัตว์ก็เปลี่ยนเป็นมาสเสวยพัตาหารพอให้ร่างกายมีกาลังแล้วจะได้ใช้กายเนี่ยไปทําประโยชน์คือไปสวงหาความจริงต่อไปและพระองค์ก็มาเดินทางว่าตอนนี้ก็คือการข้ามพ้นจากการที่คิดเอาแต่ด้านร่างกายว่าไอ้จุดหมายนี่มันอยู่ในเรื่องวัตถุแล้วก็กายแล้วก็ข้ามพ้นระดับเพียงเอาแค่จิตที่ว่าไม่เอาตามใจกายต้องมามุ่งที่จะ มาอบรมจิตหรือว่ามาทําให้จิตเข้าถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยสมาธิให้จิตบังคับตัวเองได้มีพลังเข้าถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังกระทั่งมีฤทธิมีเดชมีปาฏิหาริย์เรื่องจิตนั่ก็จะทําให้หลุดพ้นเก่งกลัดพระองค์ก็ว่าไม่ใช่ก็เลยเข้าสู่ระดับที่3มก็ปัญญาเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาและก็บูรณาการทั้งกายจิตปัญญาเลยว่าให้กายมาใช้ประโยชน์ในขอบเขตเข้ามาที่ถูกต้องนั้นคือแค่ไหนจิตมีประโยชน์แค่ไหนแล้วจะต้อง พัฒนามันอย่างไรแล้วมาประสานกับปัญญาใช่ไหมแล้วมันจึงจะสมบูรณ์ก็เกิดเป็นมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสสรุปอันนี้ก็เป็นประวัติพอจะให้เห็นสภาพภูมิหลังแต่ว่าสิ่งที่ต้องการผู้ที้เห็นก็คืออิทธิพลที่ครอบงมของาศาสนาพราชนะซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าสังคมทั้งหมดคนทั้งหลายนี่ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ใตครอบงามความเชื่อและการปฏิบัติและบทบัญญัติศาสนาพรา อย่างที่ว่าเป็นวรนนัต่างๆและก็ความสัมพันธ์กับเท พ, พเจา้ามีพระพรหมเป็นต้นที่ว่ากระทําการสัมพันธ์ด้วยการบูชาหยาดเป็นการเส้นสูงอ่อนวอนขออำนาจดยบรรดาเท พ, พเจ้ามาให้ผลที่ปรารถนาทั้งในการที่จะช่วยผลนภัยและในการที่จะให้สมปรารถนาต่างๆนี้ พ, พ่องค์เจ้าได้ทรงมาประสบสิ่งเหล่านี้นี เรื่องหนึ่งวันนะพระองค์ก็ไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าออกประกาศประศาสนาเจอสภาพนี้พระองค์ก็เลิกลมไม่เอาพยายามที่จะสอนไม่ให้คนเนี่มายึดติดอยู่ในวันนะแล้วตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมารับคนจากทุกวันนะแม้แต่จันทานก็ให้เข้าไปได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ถือว่าสูงสุดอยู่ที่การพัฒนาตนเองใครก็ตามก็มีโอกาสที่จะได้ศึกษาเท่ากัน มาศึกษาแล้วผู้ที่สูงสุดก็คือผู้ที่พัฒนาตนบรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสหมดความทุกขนะ์ด้วยปัญญาที่ได้พัฒนาเต็มที่โดยการบูรณาการระหว่างสีสมาธิปัญญาทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาแลนะนะทีนี้ก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเอาชีวิตของผู้คนที่มีความสัมพันธ์กับเทพ เ, เจ้าในการอ้อนวอนมีการบูชาหยันพระเจ้าก็เสด็จจาริกไปก็เจอ พวกกษัตริย์บั้งพรา บ, บ้างทําการบูชายันพระองก็ไปสอนให้เห็นว่าการดําเนินชีวิตการปฏิบัติที่ถูกต้องและผลที่ปรารถนาแท้จริงมันควรจะมาอย่างไรก็ทําให้เขาเลิกล้มการบูชายัญกันไปบ้างนะทีนี้สําหรับประชาชนทั่วไปก็ทําไงจะให้คนเนี่ยมาสู่แนวทางดําเนินชีวิตที่ว่าไม่ไปมัวหวังพึ่งอํานาจโดนบรรดาเทพเจ้าซึ่งมันหมายถึงว่าทําให้ ระบบการดำเนินชีวิตเนี่ยวิปราชไปหมดก็คือคนอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าไม่คิดว่าตัวเองจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อจะมีอะไรที่ต้องการก็ไปมองแต่เพียงว่าจะให้เทพองค์ไหนบันดาลให้ไปขอความช่วยเหลือจากเทพองค์ไหนไม่คิดว่าเรานี่แหละต้องทำอะไรและเมื่อผลที่ต้องการยังไม่สำเร็จก็ไปหาทางเพิ่มหรือว่าปรับปรุงใ้พิธีกรรม การวนวอบูชายัญแทนที่จะคิดว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเราแก้ไขปรับปรุงกายกระทำของเราอย่างไรใช่ไหมอันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนหลักการใหม่ขึ้นมาซึ่งอันนี้มันจะเป็นการแย้งกันกับแนวความคิดของยุคสมัยนั้นอะไรล่ะที่พระพุทธเจ้าสอนในตอนนี้ก็หลักการใหญ่ก็มาแล้วเอาจับจุดว่ายุคนั้นถือว่า ความเป็นไปในโลกและสังคมมนุษย์ขึ้นต่อเทพเจ้าสูงสุดเจบรรดานมนุษย์สัมพันธ์ด้การที่ไปขออ้อนวอนให้ท่านโปรดปรานบันดาลผลที่ต้องการให้โดยใช้อํานาจภายนอกนนี้พระพุทธเจ้าก็มาสอนใหม่มบอกผู้คนทั้งหลายว่าเออท่านทั้งหลายอย่ามัวไปมองดูเทพเจ้าทั้งหลายแล้วไปหวังพึ่งอํานาจของท่านสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมีความจริงของมันอยู่ ความจริงของมันนี่เป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติก็คือการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนะอ้าวสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันผลจะเกิดก็เกิดจากเหตุเหตุกันให้เกิดผลอันนี้ก็อยู่ที่วิธีสอนเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดมีนี่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันซึ่งความเป็นจริงอันนี้มันมีอยู่ในธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติตัวความเป็นจริงอันนี้เรียกว่าธรรมะ ธรรมะก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายคือการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันโดยธรรมดาเลยไม่ได้ขึ้นต่อเทพเจ้าหรืออะไรทั้งสิ้นความเป็นจริงในกฎธรรมชาตินี้สิที่ท่านจะต้องเอาใจใส่เพราะว่าท่านจะดําเนินชีวิตถูกต้องท่านจะทําการได้ผลอยู่ที่ท่านต้องทําให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์นี้เเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยผลมันจะเกิดก็เกิดตามเหตุปัจจัยนี่ท่านต้องการผลท่านต้องดูว่า เหตุปัจจัยมันมีพอไหมเหตุปัจจัยมันถูกต้องที่จะให้เกิดผลนี้ไหมถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดผลนี้ท่านก็ต้องทําเหตุปัจจัยนั้นเอาใช่ไหมก็ตอนนี้ก็เท่ากับ ว, ว่าเริ่มเปลี่ยนหลักการพื้นฐานเลยหลักการพื้นฐานเดิมว่ามีเทพเจ้าสูงสุดสร้างารบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องการอะไรก็ต้องให้ท่านบรรดาลก็มาเป็นว่าเป็นตัวความจริงในกฎธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนะถ้าต้องการผลต้องทําเหตุ อันนี้ก็เรียกว่าดึงจากเทพสู่ธรรมใช่ไหมเดิมเขานับถือเทพเจ้าถือหลักการในเทพเจ้าพระพุทธเจ้ามาสอนธรรมะคือหลักความจริงข้อกฎธรรมชาติที่ถึงทหลายปไปตามเหตุปัจจัยก็เรียกว่าเปลี่ยนหลักการพื้นฐานจากเทพมาสู่ธรรมนี่ที่พระพุทธเจ้าทําก็คือดึงคนจากเทพมาสู่ธรรมทีนี้พอดึงจากเทพมาสู่ธรรมแล้วคนก็ต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์ใหม่ เดิมสัมพันธ์กับเท พ, พ, พเจ้าอำนาจบรรดาอยู่เทพเจ้าใช่ไหมต้องไป อ, อ, อป้อนวอนเพราะนั้นความสัมพันธ์กับเทพก็อยู่ที่ไปอ้อนวอนขออำนาจช่วยเหลือทีนี้มามีธรรมะก็ต้องคนก็มีความสัมพันธ์กับธรรมะสัมพันธ์กับธรรมะนี่ทำทำอย่างไรธรรมะคือกฎธรรมชาติความจริงนะความจริง ม, มันเป็นไปตามเหตุ ป, ปัจจัยของมันเองอันนี้มนุษย์จะไปสัมพันธ์กับมันอย่างไรมนุษย์สัมพันธ์กับมันก็คือกระบวนการของเหตุปัจจัยที่ว่าผลเกิดจากเหตุ นี่เราต้องการผลเราต้องทําเหตุปัจจัยอ้าวถ้าอย่างนั้นท่านต้องการผลถ้าเป็นเทพเจ้าท่านต้องไปอ้อนวอนให้เทพช่วยแต่ถ้าท่านสัมพันธ์กับธรรมะท่านต้องทําใช่ไหมท่านต้องทําเหตุปัจจัยเมื่อต้องทําก็จากธรรมะก็มีคําว่าท่านต้องทําการกระทานี้เรียกว่ากรรมจากทําก็เลยต้องเกิดมีหลักการอย่างกรรมในแง่ที่ธรรมะมาสัมพันธ์กับมนุษย์ใช่ไหมธรรมะก็คือ หลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาของมันทีนี้มนุษย์ไปสัมพันธ์กับความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาก็คือมนุษย์ต้องการผลสาเร็จมนุษย์ก็ต้องทำการกระทานี้เรียกว่ากรรมนะก็แยกกันแล้วนะด้านเทพความจริงความเป็นไปทุกอย่างขึ้นอยู่กับเทพมนุษย์ไปสัมพันธ์โดยการอ้อนวอนบูชาหยาดเส้นสูงทีนี้ดา้านพะุทธศาสนา หลักการใหญ่ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมใช่ไหมมันทุกอย่างเป็นไปตามธรรมมนุษย์สมพันธ์ก็ทำโดยการทํากรรมถ้าถ้าทํากรรมดีก็คือทํากรรมที่ตรงเหตุปัจจัยให้เกิดผลดีก็ได้ผลดีถ้าถ้าทํากรรมไม่ดีกรรมนั้นให้เป็นเหตุปัจจัยร้ายก็ทําให้เกิดผลร้ายเอาละทีนี้มนุษย์ต้องทํากรรมนะทีนี้ถ้าไปอ้อนวอนเทพเจ้าท่านอ้อนวอนถ้าทําอะไรไม่ได้เพราะมันขึ้นต่อเทพเจ้าท่านก็นอนรอ ถูกไหมเราก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ทีนี้ถ้าท่านสัมพันธ์กับความเป็นจริงอุธรรมชาติท่านต้องทําความสําเร็จอยู่ที่การกระทําของท่านท่านต้องมีความเพียนพ ย, ายาัญญาถ้าอ น, น่อนก็นอนรอดได้แต่อันนี้ต้องเพี่ยนพยายญาเพราะฉะนั้นหลักกรรมก็โยงมาหาความเพียนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราเป็นกรรมวาทีเราเป็นวิริยะวาทีคู่กันกรรมวาทีแปลว่าผู้ประกาศหลักแห่งการกระทํา วิรยิยวัติแปลผู้ประกาศหลักแห่งความเพียรพยายามนะแล้วพุทธศาสนาก็เลยมีชื่อว่ากรรมวัฏะวิรยาวาิยวัฏะต้องเรียกคู่กันนะกรรมวัฏะวิรยาวาิยวัฏะแปลว่าหลักหลักคําสอนว่าด้วยการกระทําหลักความสอนว่าด้วยความเพียรต้องมาด้วยกันเพราะคนจะทําการได้มันต้องมีความเพียรนะเอานะนนี่ก็เป็นการที่ให้มองเห็นลักษณะพุทธศาสนาแทีนี้ว่าต่อไปอีก เมื่อเราทำการและทำได้ความเพียรพยายามเนี่ยบอกแล้วว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยก็เพื่อทำเหตุปัจจัยให้มันตรงตามกฎธรรมชาติอันนี้ถ้าเราทำแล้วไม่ตรงเหตุปจัจจัยที่มันจะให้เกิดผลที่ต้องการทำอุตสาห์ทำเหนื่อยยากมีความภาคเพียรจริงเนื่อยเปล่าไม่สาเร็จใช่ไ เพราะนั้นการทํากรรมยังไม่เป็นหลักประกันก็ต้องทํากรรมที่ดีที่ถูกต้องทําไงจะทํากรรมที่ดีที่ท่าเรียกว่ากุศลจะให้เกิดผลที่ต้องการได้เพราะฉะนั้นจะเป็นเพียงว่าทำทำทำทำไปมีความเพียรไม่ได้หรอกเหนื่อยยากลำบากเปล่าไร้ผลต้องรู้เหตุปัจจัยจะได้ทําให้ตรงตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นการที่จะทําการได้ความเพียรให้สําเร็จผลก็มีตัวข้อเรียกร้องขึ้นมาว่าธรรมะนั้นบอกว่า ต้องรู้เหตุปัจจัยใช่ไหมต้องรู้เหตุปัจจัยจะทำแล้วเมื่อรู้เหตุปัจจัยก็ทําตรงเหตุปัจจัยสิเหตุปัจจัยดีให้เกิดผลที่ต้องการทําตรงเหตุปัจจัยก็ได้ผลว่าเหตุปัจจัยมันร้ายเราไปทําเข้าก็เกิดผลร้ายนั้นเราก็พัฒนาด้วยการให้รู้เหตุปัจจัยความรู้นี่คืออะไรคือปัญญาใช่ไหมคณะนนั้คนจะต้องมีปัญญาแต่คนจะมีปัญญาได้ยังไง จะต้องมีพฤติกรรมถูกต้องต้องมีจิตใจเข้มแข็งมีความเพียรมีความอดทนมีใจสู้เช่นเจอปัญหาแล้วนี่มีความเข้มแข็งที่จะสู้คิดสู้ปัญหามีความอยากรู้อะไรต่างๆมีชั้นท่าอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องมาประกอบกันแต่จุดหมายคือปัญญาที่รู้เหตุปัจจัยแอบไปอ่านว่าต้องต้องมีปัญญานี้ปัญญาจะเกิดได้ยังไงก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหม เป็นอันว่าเราต้องการปัญญาแต่ว่าปัญญาจะเกิดมาได้ยังไงต้องเรียนรู้ต้องศึกษาเพราะฉะนั้นตกลงว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องทําคือศึกษาศึกษาตัวนี้ภาษาบาลีเรียกว่าสิกขาสิกขาก็เลยเป็นหลักการใหญ่ของศาสนามาจบที่ตรงนี้ว่ามนุษย์ต้องทําอะไรส่วนธรรมะนะั้นเป็นหลักความจรงิงมีอยู่ในธรรมชาติตามธรรมดามนุษย์จะรู้หรือไม่รู้จะทําไม่ทํามันก็อยู่เพราะอย่างนั้นนะ่ะนะไม่ไปกระทบกระเทือนมันได้ นี่ก็มนุษย์มาสัมพันธ์กับธรรมะตัวนี้อย่างไรก็สัมผัสโดยที่ว่าหนึ่งท่านต้องทําเหตุปัจจัยให้ตรงนั้นี่คือแล้วท่านก็ต้องมีความเพียรนี่คือหลักกรรมและความเพียรใช่ไหมแล้วท่านจะทํากรรมโดยใช้ความเพียรให้ได้ผลจริงท่านต้องทําให้ตรงเหตุปัจจัยท่านต้องรู้เหตุปัจจัยต้องมีปัญญาทําไงท่าจะมีปัญญาท่านต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนต้องพัฒนาตนคือต้องศึกษาต้องศึกษา ในที่สุดก็มาจบที่สิกขาบอกว่าออชีวิตมนุษย์นี่จะดีจะงามจะประเสริฐจะเป็นชีวิตที่ได้ผลมีชีวิตอยู่อย่างดีก็ต้องศึกษานะัตกลงว่าศิกขาก็มาเป็นหลักการปฏิบัติทั้งหมดของพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายนั้นต้องการปัญญาแต่บอกเมื่อกี้ว่าปัญญาจะเกิดได้อย่างไรปัญญาต้องอาศัยทุกด้านของชีวิตมารวมกันใชออ่จิตใจต้องเข้มแข็ง ต้องมีความขยันมีความอดทนนะอย่างมีปัญหาเกิดขึ้นต้องมีความเพียรที่จะคิดถ้าเรายอดท้ออ่อนแอเราก็หันไปหาสิ่งช่วยเหลืออื่นไม่คิดเมื่อไม่คิดปัญญาบก็ไม่เกิดถูกไหมหรือว่าเจออะไรต้องทําเราไม่สู้อ่อนแอก็จบฉะนั้นจิตใจต้องเข้มแข็งนะต้องมีความขยันมันเพียรมีความอดทนเป็นต้นนะจิตใจก็ต้องสงบ วุ่วายเดือดร้อนนะสับสนก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันก็ต้องทําให้จิตใจสงบมีสติคุมตัวเองได้จิตต้องระลึกอยู่กับสิ่งที่เอามาใช้ประโยชน์นั้นต้องมีจิตใจที่เป็นสมาธิแน่วแนนะ่แล้วจึงจะคิดการได้ดีจิตปัญญาจึงจะเดินได้ดีจิตใสเมื่อจิตมันขุ่นมัวก็คิดอะไรไม่ออกเมื่อจิตใสเป็นสมาธิมันก็คิดออกเพราะฉะนั้นด้านจิตก็สําคัญต้องพัฒนาจิตขึ้นมาด้วยปัญญาจึงจะพัฒนาได้ ปัญญาพัฒนาบนฐานของกิตที่ดีงามที่พัฒนาแล้วทีนี้จิตก็ต้องอาศัยพฤติกรรมปัญญาก็ต้องอาศัยพฤติกรรมเราจะเรียนรู้เราจะมีปัญญาเราก็ต้องใช้ขาเดินต้องใช้ปากพูดเป็นต้นต้องใช้มือไปจัดทําสิ่งต่างๆเราไปทดลองเป็นต้นข้อมูลที่จะให้เราเกิดปัญญามันอยู่ที่นั่นเราต้องเดินไปใช่ไหมเราต้องไปขยันไปหาข้อมูลเก็บข้อมูลเราจะต้อง ไปถ้าเป็นคนด้วยกันคนนั้นเขาเรียนรู้มาเขารู้เรื่องนี้มาแล้วก็ต้องรู้จักใช้ปากสิใช่ไหมไปหาเขานะรู้จักวิธีพูดปรับปรุงวิธีพูดทําให้เขาเข้าใจความประสงค์ของเร า, าถามอะไรถ้าถามไม่เป็นพูดไม่เป็นเขาฟังไม่รู้เรื่องนะทีนี้หรือพูดไม่ดนะีแทนที่เขาอยากพูด้วยเขาเดินหนีไปเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับปรุงวิธีพูดรู้จักพูดนะพูดให้เขาเข้าใจได้ดี แล้วก็ใช้ถ้อยคํำที่มันน่าฟังชวนให้คนเขาอยากพูดด้วยใช่ไหมถ้ามารู้จักพูดดีรู้จักโตอตอบสนทนามันก็ได้ข้อมูลได้รับการถ่ายทอดความรู้จากตัวเองก็พัฒนาปัญญาได้เรื่องพฤติกรรมก็เป็นสําคัญที่จะทําให้พัฒนาปัญญาได้เพราะนั้นตกลงว่าจะพัฒนาปัญญาก็ต้องอาศัยพัฒนาทั้งพฤติกรรมและจิตใจไปด้วย แ้วเมื่อคุณพัฒนาปัญญาไปแล้วปัญญาคุณก็มาช่วยทําให้คุณยิ่งเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมของคุณในการที่แสวงหาข้อมูลเป็นต้นได้ผลดียิ่งขึ้นอีกและจิตใจของคุณพอมีปัญญาแนละ้วก็ทําให้จิตใจของตัวเองก็พัฒนาได้ใช่ไหมอย่างน้อยเราเจอปัญหานี่ทุกแล้วบีบคั้นติดขัดพอเรามีปัญญาคิดออกว่าจะทำอย่างไรหายทุกโลงสบายมีความสุขนะ <c oughs> หรือว่าปัญญาเห็นคุณค่าสิ่งที่กระทแต่เดิมไม่อยากทําไม่เต็มใจทํา พอปัญญาเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ปักเปลี่ยนเป็นพอใจมีความสุขในการกระทำอัะ น, นั้นปัญญาก็เป็นตัวที่กลับมาเป็นปัจจัยแก่จิตตกลงต้องพัฒนาไปได้วยกันเรียกว่าพฤติกรรมจิตใจและปัญญาพฤติกรรมก็ด้านกายวาจาที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเป็นเพื่อนมนุษย์ในทางสังคมก็ดีเป็นปัจจัยสีวัตถุสิ่งต่างๆก็ดีพัฒนาหมดพฤติกรรมเรียกว่าศีลและพัฒนาทางได้าจิตใจมาสายสมาธิเป็นแกนระว่าจิตใจที่ดีที่สุดที่ชั้ ที่เหมาะกับการใช้งานเรียกว่ากรรมนิยะนั้นต้องอาศัยสมาธิคือจิตใจที่สงบแน่วแน่นะมัน่นคงเรียบได้ดุลลงตัวจิตที่เป็นสมาธิก็คือจิตที่อยู่ตัวของมันได้ดุลยภาพใช่ไหมเป็นจิตที่ทใช้งานได้ดีที่สุดก็แล้วก็มาสู่ปัญญาเนี้ยก็เรียกทั้งบทั้งหมดนี้ว่าใจศิกขาการศึกษาสาด้านพุทธศาสนาก็เลยมาอยู่ตรงนี้เองนะฮะหมดว่าพุทธศาสนาก็อยู่ที่ใจสิกษา ระบบการ ป, ปฏิบัติของมนุษย์ทั้งหมดที่จะให้ชีวิตดีงามนําไปสู่การสร้างสารรค์สังคมก็อยู่ที่ใจศีกขานี่เท่านั้นะวันนี้ก็คิดว่าเอาท่านี้ก่อนเป็นจุดบรรจบที่ว่าพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นมาแล้วมาอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรแล้วก็มาแก้ไขปัญหายอย่างไรอ๋อแต่ว่าจุดเชื่อเรื่อต่อจะมีอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าเมื่อพุทธศาสนานสอนหลักการใหม่อันนี้แล้วนะ ทีนี้มนุษย์ทั่วไปเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าเขายังอยู่ที่จุดที่เราเรียกได้ว่ายังไม่รู้ไม่พัฒนาส่วนใ ห, ใหญ่เนี่ยหรือไม่งั้นก็หลงผิดไปได้ติดในทิฏฐิทฤษฎีแนวความคิดต่างๆเราจะไปให้เขาพรวดพลาดมาสู่จุดที่ต้องการทันทีเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมนี่ในแง่ของการอยู่กระหมู่มนุษย์จํานวนมากและมีการพัฒนาระดับต่างๆ ไม่เหมือนกันเนี่ยเราจะทํำยังไงตอนนี้เป็นเรื่องของความสามารถของผู้สอนและทีนี้นพระพุทธเจ้าจะต้องทรงใช้ความสามารถในการสอนในฐานะพระศาสดาว่าจะทํายังไงให้มนุษย์เนี่ยเดินมาสู่หลักการนี้แต่ละกการพุทธศาสนาเป็นหลักแห่งศึกษาคือการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนให้เกิดปัญญาได้บอกทีหนึ่งแล้วว่าหลักการนี้ทําให้บังคับกันไม่ได้มนุษย์จะต้องพัฒนาตัวเองโดยอาศัยท่านที่ มีความรู้กว่าพัฒนากว่าโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยมาช่วยประคับประคองมาช่วยแนะนําสั่งสอนค่อยๆพัฒนาไปด้วยการมีจิตปรารถนาดีมีเมตตากรุณาเพราะนั้นหลักการสําคัญพุทธศาสนาจึงมี2 1ปัญญา2กรุณา1ปัญญาหมายความเราต้องการให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นตัวตัดสินที่จะให้บรรลุธรรมหรือว่าจะให้ดําเนินชีวิตได้ถูกต้องแต่ปัญญาจะเกิดได้ยังไงในการที่คนอื่นเขาจะเกิดปัญญาได้เราไปบังคับเขาไม่ได้ ปัญญาปัญญัิเย็ดใสสมองไม่ได้ก็ต้องไปช่วยเหลือเขาค่อยๆไปแนะนำไปหาทางนี่จะเกื้อกูลจัดสภาพแวดล้อมให้เกิด น, นุน้นแล้วอะไร เ, เขาจะได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนขึ้นมา น, นั้นก็ต้องมีจิตใจที่มีกรุณานาะคิดจะช่วยเหลือเขาให้ขึ้นสู่ความดีงามและความรู้นี้ก็เลยมีหลักการใหญ่สองอันหนึ่งปัญญาพระพุทธเจ้าต้องมีปัญญารู้แจ้งทาด้วยพระองค์เองสองมีปัญญาที่จะมา หาทางสอนคนอื่นให้ได้ผลด้วยใช่ไหมปัญญาก็ออกสองด้านปัญญาหนึ่งก็คือตัวเองต้องรู้ความจริงปัญญาที่2ก็คือเมื่อรู้ความจริงนั้นทําไงจะเอาความจริงนั้นมาสื่อให้คนอื่นเข้าใจได้ประโยชน์กับเขาได้นี่เ น, นี่ปัญญาถ้าได้แค่ปัญญาขั้นที่หนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ประโยชน์เฉพาะพระองค์เป็นปัจเจกพุทธะแต่พระพุทธเจ้ามีปัญญาอีกดันก็คือปัญญาที่สามารถเอาความรู้ความจริงนั้นมาสื่อให้คนอื่น เข้าใจได้ให้เป็นประโยชน์กับคนหมู่มากก็เป็นสัมมาสัพพุทธะแล้วตัวที่จะทําให้พระองค์เอาธรรมะเอาปัญญาที่พระองค์ได้ที่รู้พันธะความธรรมะความจริงไปสื่อให้เป็นประโยชน์กับคนหมู่ใหญ่ก็คือคุณธรรมที่เรียกวกรุณาที่อยากจะไปช่วยเขาใช่ไหมฮะทีนี้ในส่วนพระองค์เองที่มีปัญญาเนี่ยก็ทําให้พระองค์ได้บรรลุจุดหมายแล้วก็คือเป็นผู้พ้นจากกิเลสความทุกข์ภาวะนั้นเรียกว่าวิสุทธิ์หรือวิมุติใช่ไหม เราก็เลยเติมเข้าไปอีกคุณหนึ่งก็คือว่าในส่วนพระองค์นั้นตัวยืนที่พระองค์ได้บรรลุจุดหมายแล้วก็คือพระองค์มีวิสุทธิคุณความบริสุทธิ์หรือจะเรียกว่าวิวมุตติคุณก็ได้วิมุตติคุณก็คือความหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์แต่ว่าตัวแกนสําคัญในทางปฏิบัติก็กปัญญากับการุณาเพราะฉนั้นในคำพิกลเก่าท่านจะเอาแค่2อข้อที่3นี่ท่านถือว่าพรโพธเจ้าก็บรรลุกระจบไปแล้วนีท่านจะมาใช้ภาคปฏิบัติการก็ปัญญาอันหนึ่งกรุณาอัน ที่ทำให้พระองค์บําเพ็ญพุทธกิจอันนี้พระพุทธเจ้าก็มีพระปัญญาที่จะมาสั่งสอนสื่อธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้แล้วให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็ปัญญาอันนี้ก็มาจัดตั้งวางระบบจัดวิธีสอนจัดชุมชนจัดสภาพแวดล้อมเป็นระบบในสังคมมนุษย์ขึ้นมาจนกระทั่งเกิดสงฆ์เป็นตน้นนะ การจัดระบบอะไรต่งตางๆเหล่านี้เรียกว่าวิญญาติทีนี้ธรรมะคือความจริงที่พระองค์ตรัสรู้นะปัญญาในแง่ที่หนึ่งรู้ความจริงของธรรมดาธรรมชาตินั่นเองก็รู้ธรรมะใช่ไหมรู้ธรรมะรู้ความจริงธรรมะนั้นก็เพียงแต่เอามาแสดงเพราะพระพุทธเจ้าเกิดหรือไม่เกิดธรรมะก็มีอยู่ตามธรรมดาเพราะฉันพระองค์ก็ตรัสไปว่าอุปาทาวาภิขเวตถากัตตาณังอนุปาทาวาตถะกัตตาณังทิตาวาสาถาตุ ธรรมนิยามตาธรรมะธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาพระองค์ก็ตรัสเอ็ว่าตถาคตทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามความจริงมันก็มีอยู่ตามธรรมดาข้ามันว่าดังนี้ดังนี้นีว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกิดหรือไม่แต่พระพุทธเจ้าไปค้นพบจัดสรูปเข้าถึงความจริงนี้แล้วก็นํามาเปิดเผยแสดงชี้แจงให้ง่ายเข้าใจกันได้อันนี้ก็คือหน้าที่ของพระพุทธเจ้า ซึ่งไม่ใช่หน้าที่หมายความพระองค์ได้ทำใช่ไหมก็เลยเป็นอันว่าหนึ่งธรรมะความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาไม่ขึ้นจากการเกิดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพบเมื่อคนพบแล้วก็เอามาแสดงแสดงเท่านั้นเองนะใช้คำว่าแสดงทีนี้ถ้าจะมาจัดวางตั้งวางเป็นระบบเช่นว่าจัดลําดับเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างนี้เรียกว่าบัญญัติบางครั้งบางส่วนพระพุทธเจ้าก็บัญญัติด้วยคือมาจัดตั้งวางระบบ แต่ว่าที่จัดวางระบบอย่างจริงจังก็คือว่าเอาความรู้ธรรมะเนี่ยมาสื่อให้เป็นประโยชน์แก่หมู่มนุษย์จำนวนมากด้วยการจัดหมู่ชนจัดระเบียบชีวิตการจัดตั้งองคอ์กรขึ้นมาเพื่อจะให้ธรรมะที่พงศ์ตรัสรู้เนี่ยเข้าถึงคนเหล่านี้และคนเหล่านี้จะได้ประโยชน์การที่เอา ความรู้ในธรรมะมาจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์จัดระเบียบชีวิตจัดตั้งองค์กรเป็นต้นนี้เรียกว่าวินยัยนะครับพระพุทธเจ้า ก, ก็ทำสองอย่างหนึ่งแสดงธรรมสองบัญญัติวินยัยบัญญัติวินัยก็จัดตั้งสังฆาขึ้นมานะสังฆานี้ก็จะเป็นชุมชนที่เป็นระบบที่จัดขึ้นมาเพื่อให้เป็นสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการที่คนที่อยู่ในชุมชนนี้จะได้ประโยชน์จากธรรมะนี่เอง นะเพราะฉะนั้นสองอันนี้จะต้องมาประสานกันก็คือหลักการแห่งธรรมะกบวิ น, นัยพุทธศาสนาก็เลยประกอบด้วยองค์สองส่วนคือธรรมะกบวิ น, นัยนะธรรมะเป็นความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาพระองค์จะเกิดหรือไม่เกิดมันก็มีอยู่อย่า ง, งานั้นพระพุทธเจ้าก็เพียงสังคนพบแล้วมาสแสดงแต่เพื่อให้ธรรมะนี้เกิดประโยชน์แก่หมู่มนุษย์พระองค์ก็มาจัดตั้งวางระบบจัดระเบียบชีวิตจัดระบบสังคมจัดตั้งองค์กรจัดตั้งสังฆะขึ้นมา การกระทํานี้เรียกว่าวินัยเพื่อให้มนุษย์เหล่านี้ได้ประโยชน์จากธรรมะที่พระองค์ตรัสแล้วให้ดําเนินตามธรรม ะ, ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องจัดให้มาสอดคล้องกับธรรมะนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวินัยจึงต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมะและมีธรรมะเป็นจุดหมายใช่ไหมวินัยนี้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นระเบียบอะไรต่างๆในภาษาไทยนะวินัยนี่หมายถึง ก, การ จัดตั้งวางระบบระเบียบระเบียบชีวิตระบบสังคมทั้งหมดระบบเศรษ ฐ, ฐกิจระบบการเมืองการปกครองอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่ในวินัยหมดนะว่าเราจะใช้ปัจจัย4กันยังไงจะกินจะอยู่กันยังไงนะจะปกครองกันยังไงมันจึงจะเป็นชุมชนที่ดีที่จะดําเนินตามหลักการที่แท้ จ, จริงของธรรมชาติได้ประโยชน์จากความจริงของธรรมชาตินั้นชีวิตจะได้เจริญงอกงามจะได้เป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อเกื้อหนุน และต่อการที่แต่ละคนจะได้ฝึกฝนพัฒนาตนในใจสิก ข, ขานี่จุดหมายที่สําคัญอยู่ตรงนี้นะฮะวินัยก็เลยจัดสรรระเบียบชีวิตและระบบสังคมเพื่อให้คนในชุมชนนั้นได้พัฒนาในใจสิก ข, ขาอย่างดีที่สุดก็มามาประสานกันระหว่างธรรมะกับวินัยเป็นหลักการของอย่างของพุทธศาสนาถ้ารู้แต่ธรรมะอย่างเดียวก็เป็นพระปัจเจกับพพุทธเจ้าแต่เพราะว่าสามารถมาสื่อธรรมะให้เป็นประโยชน์ แกหมู่มนุษย์จํานวนมากได้ด้วยการจัดตั้งวางระบบทีวิตวิทยาจึงเป็นสมัยสพุท ธ, ธาช า, นะานีอ้าวทีนี้นี่เป็นหลักการใหญ่แต่ว่าทํำยังไงละ่ะในเมื่อหมู่มนุษย์มีมากมายคนที่จะเดินหน้าหน่อยเอาจริงเอาจังก็เข้าสู่ชุมชนที่เป็นระบบจัดตั้งนี้ได้ใช่ไหมแล้วคนหมู่ใหญ่ที่เหลืออีกละ่ะที่ยังวุ่นวายอยู่กับความลุ่มหลงง ง, ง่ายยังหวังอํานาจโดนบรรดาลภายนอกยังมีความอ่อนแอทําไง มันก็ต้องมีวิธีปฏิบัติหลายระดับใช่ไหมอันนี้บอกแล้วว่าบังคับไม่ได้มีเมตตากรุณาปฏิตัง้งไปช่วยเหลือเขาต้องไปพบกับเขานะจุดที่เขาอยู่อยู่อันนี้ก็กลับไปสู่ที่ที่เคยพูดมาแล้วเพราะนั้นคนเนี่ยจำนวนมากยังอ่อนแอยังวังเพึ่งปัจจัยภายนอกทำยังไงก็มีการที่ว่าหาจุดเชื่อมต่อเนี่ย จุดเชื่อต่อ น, นี่อาจจะเป็นไปเองในการที่คนเขาจะเข้ามาสู่พุทธศาสนาหรือเขาเริ่มเริ่มเข้ามานิดนิดหนึ่งพอย่างเ ย, ยว่เข้ามานิดหน่อยเท้าหนึ่งเข้ามาแต่อีกเท้าหนึ่งยังอยู่ข้างนอกใช่ไหมไอ้ข้างหนึ่งก็หวั่นใจในเรื่องของความเชื่อเก่าอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าจะว่ายังไงนะไอ้ด้านหนึ่งก็อยากจะเข้ามาสู่พุทธศาสนานี่แหละพระพุทธศาสนาไม่บังคับใช่ไหมถ้าคับก็บังคับก็แก่ไม่ทําแก่ตายอะไรอย่างนี้ใช่ไหม นี่พุทธศาสนาไม่มีนี่ทำไงล่ะต้องอาศัยกรุณาบางทีมันก็ต้องยอมรับเขาเออคุณทําไปแล้วทาเชื่อยังไงก็เชื่อไปก่อนแต่ว่าขออย่างเดียวนะอย่าให้มันผิดหลักการของพุทธศาสนาเช่นว่าอย่าไปฆ่าอย่าไปทําลายบูชายัญนี่มันต้องไปฆ่าทําลายชีวิตสัตว์ไอ้ส่วนนั้นเอาออกไปเสียแล้วก็บูชายัญเรามาบูชากันใหม่ว่าบูชายัญนี่มันเพื่ออะไรบูชายัญตอนนี้เราไม่ต้องไป ขออำนาจโดยพระดาเทพเจ้าแล้วแต่ว่าบูชายัญ น, นี่ความหมายหนึ่งก็คือว่าเป็นการกระทํากิจกรรมทางสังคมที่ออกมาแล้วให้มันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอะไรต่างๆก็ให้ความหมายการบูชายัญไปจนกระทั่งถึงว่ายันก็คือการทําทานทําประโยชน์ช่วยเหลือคนอยากไร้ให้อะไรต่างๆแล้วเนี้ยนี่คือเรื่องเชื่อมต่อมันก็เข้ามาเพราะว่าคนมันยังไม่พร้อมใช่ไหมแล้วเขาก็อยู่ระหว่าง คามเชื่อเก่าปฏิบัติตามประเพณีเขาอยู่ในสังคมเขามีวัฒนธรรมมาเดิมทำยังไงจะให้สิ่งเหล่านั้นประณีตไม่ให้มันเสียหายไม่ให้เกิดโทษแล้วก็ไม่ให้ผิดหลักการก็เอาละปล่อยก็าไปทำไปเนะีเพราะฉะนั้นมันจึงได้เกิดในเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมในพุทธศาสนากับศาสนาเก่าใช่ไหมแม้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มาก็มีสวดมนต์มีสายศีลมีทำน้ำมนต์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยแต่ว่าขัดเกลาแล้วให้ประณีต อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าเคยบัญญัติเรื่องไม่ให้เหยียบผ้าขาวเมื่อคืนนี้เล่าแล้วแตเสร็จแล้วก็พอพระเดินไปตามถนนอ้าวมีคุณผู้หญิงเอาผ้าขาวมาให้เหยียบขอให้เป็นมงคลพระมายอมเหยียบก็เขาก็โผนธนาว่ากล่าวก็กลายเป็นเสียหายไปอีกพุทธเจ้าก็ทรงปรับปรุงแก้ไขสร้างอนุบัญญัติขึ้นมาว่าเว้นแต่เขาขอเพื่อเป็นมงคลใช่ไหมก็ให้เหยียบได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่อย่างนี้เป็นต้นนี้เป็นตัวอย่างที่ว่า จะสื่ อ, อยังไงแต่ว่าเราก็มีหลักการว่าก็บอกแล้วว่าเพื่อจะให้มันเป็นไปได้ไปยอมรับเขาตามที่เขาเป็นพบกับเขาณจุดที่เขายืนอยู่แต่เรามีจุดชัดเจนว่าหนึ่งอย่าให้ผิดหลักการหลักการพุิธสัจนะเรื่องกรรมเรื่องศีรขาใช่ไหมบอกเอาแล้วไปสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่าให้ขัดหลักการแห่งกรรมคือการทําการด้วยความเพียรใช่ไหมกรรมวัฏฏวิริยะวัฏฏะ แล้วก็อย่าให้ขัดหลักศีกขาคือการฝึกฝนพัฒนาตนยิ่งขึ้นไปแล้วก็รพรุทธเจ้าก็ตรัสย้ำเรื่องความไม่ประมาทอย่าให้ขัดเรื่องความไม่ประมาทเดี๋ยวกลายเป็นคนประมาทใช้ไม่ได้แล้วก็อย่าให้ขัดเรื่องการพึ่งตนเองความเป็นอิสระต้องเอาชีวิตอนาคตอะไรของตัวเองไปฝากไว้กับสิ่งเหล่านั้นไม่ตัวของตัวเองนะก็พึ่งตนเองไม่ได้ไม่มีอิสระภาพอันนั้นพุทธศาสนาก็บอกว่าถ้าถ้าหากว่ายังปฏิบัติแล้วมันไม่ขัดหลักการเหล่านี้หรือเอามาหนุนได้ก็ใช้ได้ เพราะนั้นอย่างเรื่องของแม้แต่พระที่เข้าไปในป่าไปบปะเพ็ญสมณธรรมแล้วก็เกิดหวาดกลัวพวกผีสางเทวดาเทวดามาแกล้งอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าก็ยังสอนเรื่องว่าให้ระลึกถึงพระจรัใจนะแล้วจะได้หายกลัวสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมหรือว่าอย่างมหาสมณิยสูตรที่ว่าเช้าจตุโล ก, กบาลก็มาเฝ้าบอกว่าเดี๋ยวพวกที่เป็นชาวบ้านชาวพุทธทั้งหลายทั่วไปไปอยู่ในที่ต่งตางๆพวก เหล่าปีศาจยักษ์มาอะไรต่างๆพวกนี้ที่มันไม่รู้จักพุทธศาสนามันก็จะมากล่นมาแกล้งก็เอาคําของเทวดาหัวหน้าเหล่านี้ไปกล่าวสร้างพวกนั้นมันจะได้ไม่กล้าหรือมันจะได้เคารพแล้วมันก็จะไม่ได้รังแกไม่จะมาเบียดเบียนไม่มารังควานไม่รบกวนใช่ไหมอันนี้ก็เห็นได้เลยว่าเป็นเรื่องของการที่ว่าปฏิบัติไปตามสภาพความเป็นจริงท่ามกลางความเชื่อเหล่านั้นแต่ไม่ให้ให้ขัดหลักการก็เป็นอันว่า พุทธศาสนาจะมีจุดที่ชัดเจนว่าจุดที่ชัดเจนของพุทธศาสนาก็คือว่าเมื่อไปสัมพันธ์กับความเชื่อเหล่านี้ซึ่งเราอาจจะเรียกว่าความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจภายนอกนะก็ไม่ให้หยุดอยู่แค่นั้นจะต้องเดินหน้าไปสู่ใจศิกขาได้ใช่ไหมถ้าไปจมอยู่แล้วไปหวังพึ่งหมกอยู่ก็ไปอันว่า อันนั้นถ้าใช้สิ่งเหล่านั้นแล้วเดินหน้าไปได้ในาจศิกขาหรือมาเป็นสื่อในะการดึงขึ้นไปก็ยอมใช่ไหมนี่ก็คือการเชื่อมต่อเอาละทีนี้ 2. การเชื่ออำนาจเล้นลับเหล่านั้นการใช้สิ่งเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นไปนในทางร้ายซึ่งผิดหลักการพุทธศาสนาะคือเป็นการสนองกิเลสมุ่งแต่ความเห็นแก่ตัว แย่งชิงผลประโยชน์การทำร้ายผู้อื่นใช้โทสะนะซึ่งศาสนาเก่าเขาเป็นอย่างนี้มากใช่ไหมสยสสารอะไรแต่อะไรแกล้งกันการทำคุณทำใสหรือเอาอ้างคุณเอาเทวดามาบรรดาลทำร้ายศัตรูหรืออะไรก็แล้วแต่ในทางร้ายศาสนาไม่เอาก็เอาคุมเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในความหมายที่เป็นความดีงามคุณธรรมและความบริสุทธิ์นะอันนี้อะไรใดที่จะมาเป็นตัวที่จะทําให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในความหมายอย่างนี้ ก็ดีที่สุดก็อาพระเจ้าไตรเข้ามาแทนพวกนั้นเลยนะพระเจ้าไตรก็มีความหมายสําหรับคนทั่วไปในเชิงศักดิ์สิทธิ์มีอํานาจได้ใช่ไหมอันนี้ก็กลายเป็นสองความหมายความหมายสําหรับชาวพุทธที่แท้ที่จะเดินในศิษย์ไตรศิษขาก็คือความหมายที่ว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าอ้าวนี่เป็นตัวแทนของมนุษย์แสดงศักยภาพของมนุษย์ที่สามารถฝึกฝนพัฒนาได้จนถึงที่สุดเป็นบุคคลประเสริฐแบบอย่างใช่ไหม เราก็มีศักยภาพนี้มเมื่อราลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เตือนเราว่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีศักยภาพอันนี้มีความมั่นใจเรียกว่าศรัทธาเชื่อมั่นในตัฏ า, ากตะโพธิเชื่อในปัญญาตรัสรูท้ที่ทําให้มนุษย์เป็นพุท ธ, ธได้ที่มีอยู่ในทุกคนแล้วก็จะได้ตระหนักในหน้าที่ว่าเราจะต้องมีชีวิตที่ดีด้วยการพัฒนาศึกษาเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาตนนะต้องเดินในาจศีกขา และเกิดกำลังใจได้แบบอย่างอันนี้ซึ่งเราจะอธิบายกันต่อไปอันนี้แปลว่าพราแ ล, ล้วึกถึงพระพุทธเจ้าในความหมายที่แท้นี้มันจะจูงเข้าสู่สายสิกขาและอริยสัจแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปมันก็จะมาอยู่ที่จุดเชื่อมต่อที่เขานับถือสรรณะที่พึ่งแบบอำนาจโดนบันดาลภายนอกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้สาหรับชาวพุทธผู้ที่อยู่ในจุดหัวต่อนั้นนะซึ่งจะมองความหมาย ของสาธาะที่พึ่งในความหมายแบบโบราณก็จะมองว่าพระรัตนตรัยเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พระรัตนตรัยที่นับถือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้จะกั้นจะปิดกั้นส่วนทางเสียหายได้เพราะหนึ่งเมื่อมารับถือพระรัตนตรัยแล้วจะเป็นจุดที่สามารถดึงต่อให้เจริญในไตสิกขาใช่ไหมไม่หยุดอยู่แค่นั้นเพราะนั้นการผลเสียอันนี้ได้ ก็แปลว่าเป็นสื่อเป็นจุดเชื่อมต่อว่ามานับถือพระตนตรัยแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วปั๊บนี่เราจะได้พัฒนาเขาสร้างความเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของพระธจนตร์ยอีกชั้นหนึ่งแล้วเขาก็จะเดินหน้าไปสู่ไตรสิกขาได้ก็มีประโยชน์แม้เขาจะนับถือแบบนี้เพราะโทษที่มันตัวร้ายก็คือทําให้เขาจมอยู่ใช่ไหมอันนี้เราปิดกานในการจมบนเวียนหมกตัวอยู่ อันนั้นได้เสียมันก็หมดปัญหาเพราะว่ามันกลายเป็นสิ่งเสริมกําลังใจได้ด้วยทําให้มีกําลังใจในการปฏิบัติยิ่งขึ้นเหมือนอย่างพระที่ไปอยู่ในป่าใช่ไหมมัวกลัวมัวหวั่นวาดอยู่ไม่เป็นอันปฏิบัติใช่ไหมใจไม่เป็นสมาธิทีนี้พอหายกลัวมีจิตมั่นคงแล้วใช่ไหมก็มีกําลังใจในการปฏิบัติเพราะหน้าที่ของตัวจะต้องทำมาอยู่แล้วก็ทําได้เต็มที่สิจิตใจดีขึ้นใช่ไหมอันนั้นก็กลับเป็นดีไป แต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วก็คือว่าพระรรมจิตใจเนี่ยเข้ามาเป็นจุดเชื่อมต่อนะเป็นอันว่าหนึ่งนับถือในความหมายแบบศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าต้องให้เป็นจุดเชื่อมดึงเขาให้เดินหน้าต่อไปได้ไม่ใช่ไปจมอยู่นะแล้วสามารถทําให้เกิดกําลังใจในการบําเพ็ญในการปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปด้วยนี้ศาสนาก็จะไม่มีความหมายเป็นเพียงที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ว่า พอไปยึดเหนี่ยวจิตใจไปที่เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวเกาะแล้วจมลงเหนี่ยวลงดึงลงแต่ว่าเป็นความหมายของศาสนาในแง่ว่าเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเหนี่ยวแล้วเกาะแล้วดึงขึ้นทําให้สูงขึ้นไปก็คือทําให้เขาเนี่ยเดินหน้าในการพัฒนาชีวิตของเขาจเจริญในเรื่องของพฤติกรรมจิตใจและปัญญาต่อไปอันนี้ก็เป็นหลักการใหญ่ที่ว่าถ้าพระจะไปสัมพันธ์กับชาวบ้านเนี่ย มีเรื่องของความเกี่ยวมีเรื่องของความศักดิ์สิทธ์เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจะทำยังไงใช้สิ่งเหล่านี้ดึงเขาให้พัฒนาในตาตศิษยาใช่มทำให้เขาเจริญพัฒนาขึ้นมาด้วยไม่ใช่อยู่แค่เดิมถ้าไปได้แค่ทำให้เขาปลอบประโลมจิตใจมีขวัญดีหายขวัญฝ่ออะไรต่างๆ มันก็ได้แค่ศาสนาโบราณอย่างที่นักสังคมวิทยาคนหนึ่งเขาไปไม่รู้เขาก็ไม่เข้าใจเขาเลยบอกว่าพระก็เหมือนหมอผีว่างั้นนะไปหาหมอผีแล้วมันก็สบายใจชุ่มชําประโมใจได้ก็อบอุ่นใจมีความหวังก็ได้เท่านั้นเองศาสนามีความหมายเท่านี้พุทธศาสนาก็ไม่ต้องเกิดใช่มหมพระสนาพรามณเขาให้เขาสนองความมุ่งหมายนี้ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันทําให้จมอย่างที่ว่านีนก็แปลอ่านว่าต้องให้ความศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวเชื่อมไปสู่การพัฒนาในายศีลขาให้ได้พระจะต้องทำอันนี้ให้ได้ถ้าทำอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่นาทีของพร ะ, นะเนอาตรงลงว่าเรายอมได้ในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นะสองก็คือความศักดิ์สิทธินั้นก็กันกิเลสความชั่วร้ายเพราะนั้นถ้าเราไม่อาศัยพระพุทาตรมาช่วยคนไปอาศัยอานาจโดยบริดาภายนอกแกก็ไปยุ่งกับเรื่องกิเลส ไปใช้ในทางเห็นแก่ตัวในทางสนองโลภะสนองโทสะทำร้ายกันอะไรต่างๆใช่มเพราะนั้นเมื่อเอาความศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ที่พระจันทร์ไตรความศักดิ์สิทธิ์นี่เปลี่ยนความหมายมาที่ความบริสุทธิ์คุณธรรมแล้วก็ปัญญาโดยมีเช่อนอย่างเราสร้างพพุทธรูปก็มีพระพุทธรูปเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าพระพุทธรูปของเรานี้เป็นเครื่องหมายความศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุดอยู่ที่ความบริสุทธิ์ คุณธรรมมีเมตตากรุณานั่งสงบยิ้มไม่เหมือนเทพเจ้าที่มีอำนาจดนบรันรดาล น, นอกศาสนาที่จะต้องทำท่าผ่าผลโจรทยานมีอาวุธร้ายสำแดงเดชมีมือมีเท่ามากเป็นร้อยเป็นพันอะไรใช่ไหมอ น, นั้นก็เปลี่ยนความหมายความศักดิ์สิทธิ์ให้ความศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ในขอบเขตของความดีงามความบริสุทธิ์อ น, นั้นเมื่อเข้ามาสู่พุทธศาสนาความหมายความศักดิ์สิทธิ์ที่ได้สาระ ที่ทำให้ในแงจ่จิตใจได้ผลอันเดียวกันแแต่มันได้ความดีพว่วงมาด้วยหนึ่งดึงขึ้นไปสู่ความดีงามยิ่งขึ้นพัฒนาในายศีกษาเป็นจุดเริ่มต้นให้แล้วก็สองก็คือเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ให้อยู่ในคุณธรรมความดีไม่มีเรื่องกิเลสโลภะโทสะเข้ามาเกี่ยวข้องใช่แล้วก็ก็เลยเป็นโอกาสเพื่อจะช่วยดึงคนไม่ให้ไปติดหลงกับเรื่องของ กิเลสเหล่านั้นด้วยก็ดึงคนเข้ามาสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาแทนอันนั้นก็อยู่ที่ว่าจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ยังไงโดยเข้าใจหลักการไม่ให้พลาดนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นโบราณของเราเนี่ยจึงมีหลักการในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้เพราะถึงยังไงเราต้องยอมรับความจริงว่าหมู่มนุษย์ทั่วไปนั้นยังไม่ได้พัฒนาพอ จิตใจไม่มีความเข้มแข็งมาเกิดเหตุร้ายพยันตรายขึ้นมาก็ตั้งจิตไม่ทันไม่มีสติจิตเตลิดไปแล้วขวัญเสียก็ทำอะไรไม่ถูกได้เคยบอกแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเชื่อหรือว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติการมีพฤติกรรมที่ต้องออกมาจากจิตไร้สำนึกการมาเพียงสอนกันเท่านี้นั้นไม่พอคนยังมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้อยู่ ก็ยกตัวอย่างทีก็คือสิ่งที่พูดไปแล้วเมื่อเจอเหตุการณ์ร้ายขึ้นมาเช่นไปในป่าแล้วได้ยินร้องว่าเสือมาเท่านั้นใช่ไหมมันไม่ต้องไปคิดว่าเสือรูปร่างเป็นยังไงเสือคืออะไรเสือมันดุยังไงเสือมันมาหาเราแล้วมันจะกัดเราเราจะเป็นยังไงภัยอันตรายจะเกิดขึ้นไม่ต้องคิดพอเขาบอกว่าเสือมาทานน่ะตัวสัตว์ขาด อ่อนไปหมดแล้วใช่ไหมทันทีเลยไม่ต้องไปคิดอะเรื่องหลังนี้ไม่ต้องคิดเรียกว่าออกมาจากจิตไร้สํานึกแล้วทํำยังไงจึงจะมีตัวแก้อันนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเกิดพยันตร์อันตรายฉะนั้นสิ่งที่จะมาแก้ก็ต้องลงสู่จิตไร้าสานึกเช่นเดียวกันต้องทันกันนั่นก็โบราณก็อาศัยความเชื่อแต่เป็นความเชื่อ อำนาจโดนบรรดาลที่อาจจะเป็นภัยอันตรายอย่างที่ว่าไม่ได้ขัดเกลาไม่ได้พัฒนาแต่เขาก็ได้ผลในแง่ทำให้จิตเนี่ยมันตั้งมั่นนะทำให้เกิดความเข้มแข็งเนะช่นเชื่อวระเทพพระเจ้านั่นจะมาช่วยนี่ใจอยู่เลยใช่ไหมนะไม่ขวัญหนีดีฟอออันนี้ทางพุทธศาสนาก็เอาพระจันาตรัยเข้าไปแทนเพราะว่าจะเป็นสื่อที่นำไปในการพัฒนาและอยู่ในความดีงามด้วย ทั้งคุมกรอบด้วยทั้งดึงขึ้นด้วยเดินหน้าต่อไปด้วยเราก็เอานี้ไปใส่แล้วก็ให้ได้ผลอันนั้นด้วยคือพอเกิดประสบเหตุการณ์ร้ายอะไรฉับพลันทันทีก็ไม่ขวัญหนีดีฟอร์ก็ความเชื่อที่ลงลึกในด้านนี้ก็ช่วยจิตของเขาไว้ได้ใช่ไหมอันนี้แหละเป็นจุดที่ว่าจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ได้ความรอบคอบมิฉนั้นแล้วผู้ที่ไปใช้วิธีหักดั้มพลาไปสอนไปดา่าไปติเตียน บางทีกลายเป็นตีประชาชนเหล่านี้ให้ออกจากศาสนาหรือว่าทำให้เขาไม่สามารถเข้าใจอะไรได้ใช่ไหมครัทีนี้เราจะเห็นว่าของเราแต่โบราณก็มีประสบการณ์นี้ผมคิดว่าสังคมไทยนี้ได้ประสบความสำเร็จพอสมควรในเรื่องนี้แม้ว่าบางครั้งจะเพียงพล้ำไปบางบางยุคสมัยก็เพียงพล้าให้แก่เรื่องของความเชื่อศาสนาโบราณเข้ามาแต่ว่าโดยทั่วไปภาพรวมนี้ประสบความสาเร็จที่เราส สามารถรักษาหลักการของพระศาสนาไว้ได้ในขณะที่ต้องให้ประชาชนยังยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าอยู่ในกรอบคืออยู่ในหลักการที่ว่าหนึ่งดึงขึ้นด้วยสองอยู่ในกรอบของความดีงามไม่สนองโลภะโทสะโมหะใช่ไหมเนี่ยทำไงถ้าทำได้อันนี้นี้ก็ผู้ที่เป็นสําคัญก็คือผู้นําของสังคมเช่นผู้ปกครองประเทศแล้วก็พระสงฆ์เองที่เป็นผู้ที่เป็นศูนย์กลางเป็นผู้ที่ดํารงหลักการของพระศาสนา นี่ถ้าพระสงค์ยังยึดหลักการนี้ได้ก็ไม่เพียงพรัมใช่ไหมไม่ใช่ว่าตัวเองนี่ก็ไม่เข้าใจหลักกา ร, ราศาสนาแล้วยังแถมไปจูบประชาชนออกจากาศาสนาไปทําให้กลายความหมายเป็นความศักดิ์สิทธิ์แบบสมัยโบราณไปทีนี้ผู้นําประเทศก็สําคัญเราจะเห็นว่าอย่างในหลวงราชการที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีเรื่องนี้ประชาชนในยุคนั้นเห็นชัดเลยจากประกาศของพระองค์ว่าได้มีความเชื่อหลงไปในเรื่องเหล่านี้พระองค์ก็ประกาศ ขึ้นมาแสดงว่าผู้นําของเรานี่ทรงฉลาดมากนะคล้ายๆว่ายังไงไงประชาชนจะยังไงก็ขอให้ผู้นำเนี่ยตรึงไว้ได้นะเป็นหลักให้แก่สังคมเพราะฉะนั้นผู้นำเลยที่ว่าถือว่าเป็นผู้พัฒนาดีแล้วมาเป็นผู้นําของสังคมอย่างในหลวงรัชการที่หนึ่งก็ตามรัชการที่5ก็ตามมีเอกสารที่แสดงว่าพระองค์เนี่ยได้เห็นประชาชนต้องไปสัมพันธ์กับความเชื่อเหล่านี้ จะถูกชักจูงออกนอกาศาสนาไปสู่ความเลีวไหลไม่เคเรื่องก็จะทรงมีประกาศออกมานะก็สังคมของเราก็มีท่านที่เป็นหลักให้ น, นั้น้าผู้นำประเทศและพระสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะพระสงฆ์นิดหนึ่งหละนะเพราะเป็นแกนกลางโดยตรงจะต้องเข้าใจและรักษาหลักการมาให้ดีนะส่วนสังคมส่วนใหญ่คนทั่วไปนันเราจะไปหวังให้เขามาเข้าถึงหลักกา ร, ราศาสนาทันทีนะั้นเป็นไปไม่ได้นะ ทำไงจะปฏิบัติให้มันอยู่ในกรอบขอบเขตไม่เสียหลักการพร้อมทั้งให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเหล่านั้นด้วยเพราะที่สุดแล้วก็พระศาสนาที่มีขึ้นเครื่อก็เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนนั่นเองจะทําให้เขาเข้าถึงชีวิตที่ดีงามแต่ว่าชีวิตที่ดีงามไม่ใช่เกิดขึ้นฉับพลันก็ต้องมีการพัฒนาต้องเรียนรู้ต้องมีศึกขาเราต้องยอมรับความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ แล้วก็ทำการด้วยปัญญาพร้อมทั้งมีคุณธรรมคือการุณาที่จะเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติการให้สำเร็จก็คิดว่าพูดมาบัดนี้ถ hey? ึงสิบโมงแล้วก็พอสมควรนะฮะแต่มีอะไรสงสัยก็คุยกันตอนนี้นิดหน่อย ครับ ค, คือหมายความให้พัฒนาในใจสิกขาได้หมายความเป็นจุดเริ่มหรือเป็นจุดเชื่อมต่อแล้วก็ดึงเขาให้พัฒนาในใจสิกขาได้ถ้ า, าข้อคอนี่ไม่ชัดกข้อสอ ง, ง น, นี่เป็นแ่ตัที่หนุนเสริมนั้นก็ใช่แต่ว่าเนการตัวสำทั บ, บสมทับให้แน่นเพราะว่าดึงในใจสิกขาก็คือต้องไ่พลาดออกไปสู่เรื่องของการสนองกิเลส แต่ว่าเราพูดให้ชัดว่าความหมายของความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนานั้นตัวความศักดิ์สิทธิ์เองน่ะกันอยู่ในตัวแล้วเพราะความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาต้องหมายถึงการที่มีความบริสุทธิ์มีคุณธรรมใช่ไหมอ่าเป็นเรื่องความจริงสัจจะที่เกิดจากปัญญาใช่ไหมคือหลัก2ข้อที่คือผมมองว่าถ้าขาดข้อหนึ่งเนี่ยอาจเสียหายได้แต่ถ้าขาดข้อ2ข้อหนึ่งมันยังคงอยู่อ๋อเอาก็เพราะว่าข้อหนึ่งนี่เป็นหลักการที่แท้นี่ใช่ไหม หลักการพุทาศาสนาอยู่ใจสิกขาเนี่ยใช่ไหมทีนี้ว่าอันที่สองก็คือการที่มาช่วยสำทับให้แน่นขึ้นโดยให้ความหมายของความศักดิ์สิทธิ์เอตัวนี้ไปเป็นตัวสัมพันธ์โดยตรงว่จุดของมันก็คือตัวความศักดิ์สิทธิ์พราความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนใช่ไหมหมายความว่าความศักดิ์สิทธิ์อำนาจพิเศษเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ การมีฤทธิ์ปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่สามารถใช้กําลังคมเพงบังคับผู้อื่นได้ไม่ใช่อยู่ที่นั้นแต่อยู่ที่ความดีงามความบริสุทธิ์ใช่ไหมฮแล้วก็แทนที่จะไปคมเพงเขาอยู่ที่การคิดจะช่วยเหลือเขาให้พ้นภัยอันไหนยากกว่ากันการทําร้ายเขากับการช่วยเหลือเขาให้พ้นภัยอันตราย าการปฏิบัติต่อผู้อื่นอันไหนจะยากกว่ากันระหว่างอะไระหว่างการไปทําร้ายเขากําจัดเขาและการไปช่วยเขาให้พ้นจากภัยอันตรายสองอย่างเนี่ยการสัมพัสกับเพื่อนมนุษย์อย่างไหนยากกว่ากนันไปช่วยยากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครเก่งกว่ากั น, นใช่ไหมคนที่ไปช่วยคนอื่นให้มีชีวิตที่ดีงามได้สร้างสารรค์ได้สําเร็จนะยากกว่าเยอะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนต้องพัฒนาเยอะกว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้เพราะฉะนั้นพุทธคุณจึงสําคัญกว่าฤทธิ์ของเทพเจ้าเทพเจ้าแกสนองความต้องการของมนุษย์แกอยากได้อะไร <c oughs> แกจะอยากกำจัดใครใช่ไหมก็เอากันแค่กินเล่มีพุทธศาสนานี่ไม่สนองความเห็นแก่ตัวพยายามขัดเกลามนุษย์แล้วให้ช่วยการแก้ปัญหาใช่ไหมที่ว่ามี ประกาศนะครับครับข้อที่ว่มีพระกรุณาที่คุณนี่เป็นการเน้นย้ำหรือเปล่าคราบว่าพระองค์เนี่ยบรรลุเท้าหมายสูงสุดก็คือทั้งปัญญาแล้วก็ความบริสุทธิ์เพราะว่าเป็นสถานะที่พระองค์เนีช่วยเหลือสัตว์โลกทก็เลยใช้คําว่าพระกรุณาที่คุณใช้คำเมตตาที่คุณือว่าเป็นว่าอ๋อก็อันนี้เป็นหลักธรรมดาและเมตตาใช้กับคนที่เขาอยู่เป็นปกติรก ร, รุณาใช้กับคนที่เขาประสบทุกขทีนี้ เมื่อพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมสูงสุดแล้วคนทั้งหลายเนี่ยยังอยู่ในทุกข์ยังไม่พัฒนาขึ้นมาถึงระดับที่พระองค์เห็นว่าถูกต้องใช่ไหมเพราะนั้นสายตาที่มองก็ต้องเป็นการุณาสิเพราะเขาตกต่ำเดือดร้อนนี่ใช่ไหมธรรมดาเราช่วยขอให้พ้นจากทุกข์ยไมัยแลไมมีพนาคุณแล้ว่เมตตาอ๋อเมตตก็มีแต่ว่าตัวเด่นอยู่ที่การุณา ก็แน่นอนและชัดเจนนะเพราะว่ามองหมู่สัตว์ยังอยู่ในทุกข์ต้องช่วยขึ้นไปนั่นเป็นกรุณาถ้าเป็นเมตาก็เป็นไมตรีในระดับเดียวกันใช่ไหมพระชุตเจ้าก็ทรงแผ่เมตตา ใ, ในเรื่องทั่วๆไปอย่างในกรณีช้างนาลาคิรีก็นั่นก็ใช้เมตตาใชคือไม่ไม่ได้ต้องไปช่วยอะไรสัตว์นั้นเป็นแต่เพียงมันดุร้ายใช่ไหมมันจะมาทํำลายพระองค์ แผ่เมตตาให้เป็นเมตตรีในกรณีนั้นใช้เมตตาอ้าวทางโยมมีอะไรสงสัยไหมฮะ่าก็อันนั้นก็แล้วแต่จะใช้และคือหมายความว่าให้อยู่ในหลักการเนี่ย ว่าไอตัวศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราต้องคำนึงถึงมนุษย์ทั่วไปที่เขายังไม่เข้าถึงหลักการพุทธศาสนาใช่ไหมอันนี้ว่าทําไงจะดึงเขาขึ้นมาเมื่อเขาอยู่ณจุดนี้เราก็จะใช้เรื่องความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นประโยชน์แก่เขาเองนะไม่ใช่เพื่อเรานะเพื่อประโยชน์แก่เขาเนี่ยทำไงก็คือว่าให้เขาเกิดกําลังใจเอาตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกําลังใจในการปฏิบัติเข้าสู่ใจศีกขาซะ ถูกไหมก็ใช้ได้ก็เนี่ยกาลังใจเนี่ยเหมือนอย่างพระที่ท่านไปสาธยายพุทธคุณในป่านะก็เกิดความมั่นใจหายหวาดหายกลัวนะก็จะมีจิตใจสงบมั่นคงขึ้นแล้วก็จะได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมใช ม, มีความเชื่อก็ศรัทธ า, าเป็นตัวที่ทําให้ได้อันนี้ได้ผลในพุทธศาสนาก็จะมีอันหนึ่งก็คือว่าศรัทธาเป็นคุณธรรมเบื้องต้นแต่ศรัทธานั้นจะถูกต้องต่อเมื่อสื่อนนำสู่ปัญญา ถ้าศรัทธานำสู่ปัญญาไม่ได้ผิดศรัทธาอาจจะเป็นตัวกักกัน้นกีดกันปัญญาเลยอ น, นั้นศรัทธาที่มันผิดก็คือศรัทธาที่ขวางปัญญากำจัดปัญญาเสียทีนี้ถ้าเราใช้ถูกศรัทธาก็มาเป็นตัวหนุนสื่อนำสู่ปัญญาให้ก้าวไปใช่ไหมศรัทธาก็เป็นตัวนึ่งทำให้เจาะจุดสรงเกิดพลังเนี่ยเอาจริงองจังในการที่จะเดินหน้า ได้ทั้งพลังและเจาะจุดมีทิศทางชัดเจนเพราะฉะนั้นศรัทธาก็มีประโยชน์มาแต่ต้องใช้ให้เป็นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศรัทธากับปัญญาซึ่งถ้ามีเวลาก็จะต้องพูดกันอีกนะอ้าวมีอะไรไม่เลยบอสถ้าไม่มีก็สายมากแล้วนะวันนี้ก็คงจะต้องแค่นี้ก่อน